จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาทำเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาวันนี้เราก็จะเริ่มที่โตเกียวเช่นเคยกับเด็กชายนักคุณนักคุณเข้ามาแล้ว บบกลับมาจาชการคะจังกลับมาราชการกบจวันนี้สอนหรือเปล่าไม่สอนค่ะไม่สอนนะไปโรงเรียนหรือเปล่าครับอือคับไปเลยออ ว, วันนี้เรียนอะไรบ้างอือเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยอนี้อันนอันนี้ แคมันะกอบสีสีเขาไ ม, ม่คำถา ม, รร ม, มคามรับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ถามลูกว่าลูกเรียนภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับเออไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะไม่ใช่โรงเรียนญี่ปุ่นนะโรงเรียนอินเตอร์ค่ะอาจารย์อินเตอร์เรียนภาษ า, า, าอังกฤษแทนเนาะอ่าแต่วันก่อนมีฟอ่าเขาบอกว่าเขาจะไปพูดญี่ปุ่นเขาจะไม่พูดอังกฤษ เพื่อนๆ พ, พ, พูดญี่ปุ่นที่โรงเรียนอังกฤษแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดได้ค่ะอาจารย์ต้องให้ให้พูดหลายภาษานะ่ะอังกฤษไทยญี่ปุ่นค่ะถ้าเขาพูดกับใครภาษาภาษาไหนภาษาแรกเขาก็จะพูดภาษา น, นั้นค่ะดูการ์ตูนก็เหมือนให้ดูเป็นภาษาอังกฤษก็จะอังกฤษยาวไปพอปพูดให้พูดญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ค่ะ ดีมีโอกาสได้เรียนหลายภาษาเป็นเด็กเรียนง่ายยำง่ายค่ะพระอาจารย์ไปไทยไม่รู้ใจยังไงเลยคะ่ะไม่รู้เ<น> ข, า, ขาจะคุยอะไรกับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกังวลนานาคนะาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในปัจจุบันค่ะมีอะไรไหม วันนี้ไปส่องกล้องอในกระเพาะอาหารทางเดินกระเพาะอาหารมาค่ะพระอาจารย์ตรวจร่างกายก่อนเดินทางนะคะกลัวเพราะว่ามันจะต้องใส่ใส่กล้องไปทางจมูกใช่ไหมคะทีนี้มสมาธิเอ่าสวดพุทโธพุทโธพุทโธธามูสังโคไปมันช่วยได้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์พยาพันเจ็บไหมเจ็บไหมคะถ้าจะอ่อสะอึกหรือว่าเลย ให้กั้นไว้นะเราก็แบบไม่พูดอะไรเลยนั่งนอนท่องพุทโธพุทโธไปค่ะอช่วยพูทโธช่วยให้ใจสงบไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์นะค่ะพระอาจารย์ช่วยได้มากๆเลยค่ะมีเวลาอยู่ในเหตุการณ์วิกฤตต่างๆไมูจะทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปค่ะตอนตอนตอนแรกพุทโธมันยังไม่ค่อยอยู่หรืก็เลยพระอาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนให้เป็นยาวขึ้นก็ได้หรือก็จะเป็นพุทโธธโมสังโคเหมือนช่วย เยอเค่ะมันไม่ต้องไปจับลมหายใจเข้าออกค่ะเอา<ด>ไม่แล้วไม่ต้องลมงหายใจเอาท่ออย่างเดีย ว, ยวอ่าท่องอะไรก็ได้ค่ะโอเคดีใจมากเลยนะครับความตระหนกแล้ว<ล><ต>ก็ความการตนกใจใจนิ่งเฉยเบาลงสบายอะไรจะเกิดก็เกิดห้ามมันไม่ได้นะทุกอย่างในโลกนี้มันมันจะเกิด แล้วก็ห้ามันไม่ได้ดีมั้ยค่ ะ, ะอาจารย์พยายามฝึกไปเรื่อยๆธรรมะอ่าโอเคนะเอาต่านนี้ก่อนนะจารย์อโอเคไปที่จามัตกับเจ้าที่กล่าวมัศการพระอาจารย์ครับอ่ามันนี้มีอะไรบ้าง วันนี้จะมารายงานการนั่งสมาธิแล้วก็ส่งกลับบ้านครับอ่ารายงานมาก็คือนั่งสมาธิครับก็คือนั่งต่อนื่องเลยครับแล้วก็พอนั่งแล้วก็จะรู้สึกนั่งได้นานขึ้นครับแล้วก็สนุกอือเวลานั่งใช้อะไรใช้พุโทโธใช้พุทโธครับพุบโทโธอย่างเดียวนะใช่ครับอืมแล้วบรรยากาศจะรู้สึกเงย็นร่มไหมครับปกติจะ จิกจิกจิกเลวก็คันครับซึ่งพอใช้พุทโธแล้วก็สามารถไม่เก่าไม่เอามือไปเก่าได้ครับเวลาที่ทำอะไรทั้งวันเนี่ยถ้านึกถึงพุทโธได้ก็ น, นักบ้านก็นได้นะไึกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะะเลยมีสติมากๆาการนึกถึงพุทโธเนี่ยเป็นการสร้างสติให้กับใจครับโอเค น้่งด้กี่นาทีอย่างนี้สาวสินาทีครับอต้องตั้งานาฬิกาป่ะตั้งครับต้องคอยดูป่ะก็จะมีเแอนนาขึ้นมาดูบ้างโพรานนามันก็ไม่พูดโทแลนะ้วมันก็ขาดสตินะครับพอยให้มันดังเองไม่ได้ไม่ต้องมันมันจะถึงเวลามันจะร้องขึ้นมาครับอ่ามันั้นบมันร้งอย่าไปดูมันอย่าไปสนใจ เอาเวลามันจะผ่านไปเร็วถ้าคอยดูโอ้ยดูปั๊บเอาแค่ผ่านไปแค่นาทีเดียว อ, อย่าไปดูมันนะให้มีสติดูสตินี่กว่าตั้งสตินี่กว่าตั้งนาฬิกาใชครับอย่าอยู่กับพุทธพุทธสนใจกับเวล า, าเดี๋ยววันละมันก็ไปเดินนาฬิกาโอ้ยมองทีไรา่านไปแค่นาทีเดียว นะอย่าไปสนใจกับเวลาเนีย่ยสนใจกับพุดโทรพูโไปจัตีเป็นไงบ้างจตียังได้เปล่าก็เ๋ช่วงนี้ปวดเอวอะครับแล้วนั่งพร้พอมๆ้อกับจะแม่หรือเปล่าก็ไม่ครับเดี๋ยวไม่นั่งพร้อมกันทำไมนะ ก็คิดว่าเป็นสารวัตรนักเรียนนะคะแล้วก็ต้องไปช่วยน้องปน .1 ยกกระเป๋าแล้วทีเนี้ยตัวเองไปช่วยน้องกระเป๋ามันหนักอ่ะยกแล้วมันผิดท่านะคะแล้วเหมือนเอวมันพลิกค่ะช่วงสองสาวันมันเนี้ยนั่งไม่ได้เพราจะปวดเอวค่ะเหมือนโรคคนแก่นนะคะอือนนอนกันแล้วเาจะได้นั่งแล้วมันเราจะแม่นั่งแล้วก็นอนดูถ้าเนี่ยถ้านั่งไม่ได้ก็ลองเอาลองนอนนไปยืน ยืนพุโทโธพุธโทโธไปก็ไดนะ้อย่าอย่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเลยไม่ได้พุโทโธครับโอเคสงการมามามามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่มงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่มงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็น ธรรมดาจะร่วงพ้นความตายเป็ไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องตัดของบางของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องาสัยเราทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของการน้นเสีบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนและฟันหนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยืใ่ในกระดูกน้ำหัวใจตับทางทืดวไตปอดใส้ใหญ่ใช้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าแกนในสมองศีษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำะเหลวตาน้ำมันข้นน้ำเหนื่อ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำทะเลน้ำดีเยื่อในสมองศีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจ ม, ม้ามเยในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนนั่นมีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหมไม่มีครับ ร่างกายไม่เชื่อตัวเรานะครับร่างกายเป็นลายเราไม่ต้องไปตกใจเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายนะโอเคเวลามองดูร่างกายของใครของเรามองเห็นอาการสามีสองบ้างไหมไม่เห็นเห็นโครงกระดูกบ้างไหมเห็นนําไส้เห็นปอดเห็นไตบ้างไหมไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลยใช่ไม้มคุณลองหัดดูต่อไปเห็นใครมองคอกระดูกของเขาอ่นนี้ไปถามว่าเขาชื่ออะไร oh. นึกถึงคอนกระดูกขเขาอะไรครับ oh. วันนี่มีคอนกระดูกหรือเปล่าอืม oh. เป็นวิธีดูคนดูคอกระดูกของเขาครับ oh. ต, ต่อไปจะเห็นว่าน้องไีไม่แต่คอกระดูกเต็มไปหมดเลย ที่โรงเรียนีในโครงกระดูเป็นไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับลองหัดฝึก ด, ดูนะครับไม่ยากหรอกพอเห็นใช้ก็นึกถึงโครงกระดูเขาก่อนเนละมันทําไปนึกถึงอะไ ร, รอโอเคมีอะไรอยากจะถามยังไงไม่มีแล้วครับแม่ก็ไม่มีนะิบัอยู่โอเค ชา น, นี้เป็นชาติที่วิเศษนะถ้าไม่ปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้นะมีครูมีอาจารย์มีพระพุทธเจ้าม<ช>ี<ช>่ผู้ตัสโลธรรมนันเนประสานไม่ใช่เจอพบกับธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆได้ไง<ช>่ายๆอันนี้เจอแล้วอย่าอย่าอาปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้หลุดไปเพราะเราจะได้มีมรรติแล้วจะได้นิพพานเนี่ยถ้าไม่มีพุทโธธรรมโม สังกูนี่เราจะไม่มีวันที่จะได้ไม่ ม, มติหตคคมุนดเพิ่มจากความเชื่อคนกครโอเคนะขอบคุณพระอาจารย์ครับไปที่ตะวันฮอลแลนด์ตะวันขอบคุณแม่ครับพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมนงคงมกงทำครับออมามาเอถ้าผมได้ ของแลนดแล้วเออยังไม่ใช้แล้วผมได้ผมก็ชอบมากเลยแต่ถ้าผมแกะแล้วแล้วผมก็เออแลนกับของแลนด์อานั้นผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วครับนับเป็นอะไรครับมันเป็นเพราะว่าใจหลอกเราไงเวลาเห็นของแลนมันมันน่าสะหลอกน ว, วันดีแต่พอเราไปเจอของจริงมันก็ไม่เล่นดีอย่างที่นรกชิดครับเข้าใจไหม เราแปลว่ า, า, าตกกิเลสหรอกกิเลสมันเช่นเราเราเห็นอะไรที่เราไม่มีจะดีไปหมดใช่ไหมส่วนของที่เรามีมองที่ไหนไม่ดีเลยใช่ไหมพอได้มนมาปั๊บพอมันเป็นของเราปั๊บมันก็เลยไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรดีแบบเราตกกิเลสเราให้มองว่ามันดีมันวิเศษพอได้มาแล้วก็เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิกัน ดงั้นต่อไปทุกครั้งนี่เห็นอะไรแล้วใจคิดว่าดีอยากจะได้บอกว่ามันก็เหมือนกับของที่เรามีอยู่นี่แหละถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแย่เอามันดีกว่าถ้ามันจําเป็นต้องมีก็ต้องเอาเช่นข้าวถึงเวลากินข้าวต้องกินข้าวก็ต้องกินไปข้าวก็เหมือนกันเวลาไม่กินนี่เห็นแล้วโอ้ยน่ากินเหลือเกินใช่ไหมพอกินเข้าไปทักทักกินไม่ลงแล้วเลยนะเนี่ยมันลาบ เราก็ถูกหลอกทุกทรั้งเห็นัอะไรปั๊บนี่พอหลอกให้เราอยากปั๊บแล้วเราก็ไปต้องได้ทําไม่ได้เราจะรู้สึกจะตายให้ได้แต่พอได้มาแล้วก็เหมือนกับของที่เราเคยมีนะทุกทุกอย่าง вот เหมือนกันหมดของที่เรามีแต่ของที่เราไ ม, ม่มันก็เหมือนกันมันต่างกันตรงที่ของที่ไม่มีเราเรายังเราไม่มีเราก็อยากได้ท่าน พอได้มาแล้วพอเป็นของเราแล้วมันก็มันก็ไม่อยากได้นะมันก็เลยไม่ดีเ น, นี่ยคือกิเลมันหลอกเราเรียก่โมหะหลอกให้เราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมอได้มาก็ได้มารับทุกข์กับมันแล้วต้องเก็บไม่ที่ไหนดีต้องรักษามไว้เวลาหายไปก็เสียใจใช่ไหมเวลาไม่มีดีกว่าไหม ไม่มีก็ไม่ต้องทุกกับมันใช่ไหมนะทำไมพระพุทธเจ้าบอกของตัวอย่างเป็นทุกข์ได้มาแนละ้วมันจะให้ความทุกข์กับเราทุกข์เพราะเราต้องคอยดูแลรักษ า, าทุกข์เพราะว่าเวลามันหายไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้ทำไว้นะเราสุขบอกทุกวันนะ่เวลาเห็นอะไรบอกไปนี้อยากจะได้เลยต้องถามตัวเองว่าจําเป็นไหมถ้าไม่มีมันต้อตายไหม ไม่เี็ข้าไม่ตายก็อย่าอย่าไปเอามาดีกว่าทำได้ไหมไปเลอกเล่นเกมนั่นทีเห็นเกมไหมนยัก็ดีก็ได้มาแล้วก็เหมือนเดิมเล่นไปสักพักก็เบือ่อต้องเล่นเกมใหม่เนะี่ยดูมันสมาธิดีกว่านะเ น, นี้ยของจริง ถ้าเราได้สมาธิเราไม่เบื่อแต่แล้วก็ไปเห็นสมาธิว่าไม่ดีใช่มัมเราไม่อยากนั่งกันใช่ไหมอย่างกิเ hmm. ลสมันก็หลอกไปงมันหลอกไม่ให้เรานั่งสมาธิกันมัน ว, ว่าไม่ดี mm hmm. แต่ความจริงมันเป็นของดีถ้าเรานั่งแล้วใจสงบแล้วเราจะมีความสุขมาก mm hmm. เราต้องฝืนกิเลสกิเลสสิ่งนั้นที่กิเลสบอกไม่ดีอันนั้นอ่ะดี ทำสมาธิดีไม่ดีรักษาศีลดีไม่ดีเอ่าทำบุญทําทานดีไหมดีเกี่เดือนจะบอกไม่ดีโอ้ยทําไมทําไมเสียใจเงินเอาเงินมาเที่ยวไปเล่นดีกว่าใช่ไหมแต่ทําบุญลดใจเราจะมีความสุขเวลาเราได้ช่วยเหลือใครใครก็เดือดร้อนเราช่วยคลายความเดือดร้อนได้แล้ว เนคามรู้สึกสุขใจภูมิใจในตัวเราเองนะอย่าต่อไปนี้เราต้องควรกระแสกิเลสขณะที่กิเลสมันไม่ดีเราว่าละวันดะีขณะที่มันว่าดีแล้วเราว่าไม่ดีนะอ่านใจไหมมีอะไรไหม แล้วนั่งนั่งสมาธิทุกวันหรือเปล่าอากนั่งไม่ไอยากนั่งใช่ไห ม, ไมกเลสไมไม่อยากให้เรานั่งใช่ไหมกิเลสไม่อยากให้เราเล่นเกมมากกว่าใช่ไหมเราเล่นเกมมานั่งสมาธิอันไหนดีกว่ากันเอทัออนนี้ยังไม่เห็นผลถ้าเห็นผลแล้วจะมันจะจะรู้เองว่าเหมืนอะไร ด, ดีกว่าสมาธิตามสุขของสมา เหนือกว่าความสุขจากการเล่นเกมจากการเที่ยวจากการดูหนังฟังเพลงนต้องทําให้ได้เราทําให้ใจให้สงบให้ได้เราจะติดใจคุณแม่มีไรไหมเดีย๋ยวไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะสัปดาห์ที่แล้วคือก็มากันนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามาช้าไปนหนึ่งนาทีค่ะก็เลยน่าจะ ไปอยู่ข้างท้ายแล้วพระอาจารย์คงจะไม่ได้เห็นนะคะ อ, อ่าไม่เห็นเลยใช่แล้วก็พอดีเขามีคู่กวนภูนี่เขาจะมีจีฬาก็เลยต้องรีบออกไปก่อนไม่ทันอยู่รอพระอาจารย์อืมก็ไม่เป็นไรก็ขาดบ้างเกิกเนบ้างเกินอนอิจจังไปนะที่มาทุก อ, อย่างเป็นอนิจจังอนั้นตามเราควบคุมบังคับมันไม่ได้อืมถ้เราเข้าใจเราก็าจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากให้มันควบคุมได้แล้วควบคุมไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์ใจนะ ว, <ช>วันพุดที่แล้วเป็นวันที่29พฤษภาเป็นวันเกิดเจ้าตะวันนะยังอยากให้พระอาจารย์อวยพรให้อยู่ดีวอวยพรวันนี้ก็ได้ขอให้ตะวันมีความสุขจากการนั่งสมาธิมีความสุขจากการทำบุญให้ทานมีความสุขจากการรักษาศีลนะแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอกนะดีัหมวันนี้ดีกว่านะดีกว่า โ okay. อเคอนตอนนี้ก่อนนะแล้วค่ะอาจารย์ขอประคุณอ่านค่ะคุ ณ, คณทิ้งตีมาเป็นยังไงทื้สิสนแบบคีเยะกว่าก่ อ, อนรัช ก, กาลค่ะอาจารย์วันนี้ได้เจ็ดค่ะเจ็ดค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้สีจเ<น>ก้า<อ>ิได้แค่สามได้แค่สามุ้าใช่ใช่ค่ะวันนี้ทานข้าวเลยเที่ยงไปค่ะวันนี้ตี ผู้โดยสาค่ะออกค่ะก็เลยก็ต้องเลยเวลาไปหน่อยเลยไม่ได้ถึกถือินแฟตค่ะเาอาอย่มอดสักวันเลยเดี๋ยวมันจะตายแลย้วอันนี้กูจะอดทักวันหนึ่งไม่กินเลย <c oughs> แต่มากินต้องได่ตั้แต่เกิดมากินอยู่ทุกวันไม่มีขาดเลยลองลองกินดูทั้งวันนี้เอาชนะมันทั้งวันนะแพ้มาทุกวันนั้นแพ้มาตั้งแต่เกิดแล้วค <c oughs> ่ะ นนเดินลองดูคะ่ะยังไม่เคยลองกดนะคะวันมู้นยาชนะวันผมยังไม่ทักวันที่มันรู้เป็นรู้ตายอาารย์วันชนะมัน ต, ต้องร<ด><ด>ู้สึกว่าภูมใจมีความสุขใจชนะกิลเลสได้ค่ะค่ะอาจารย์โอเคน ะ, ะไม่มีคำถามค่ะขอบรุอาจารย์ท่าขแข็งแรงนะคะึ้นดีครับพี่แค่ เกานำประการพระอาจารย์ครับจะขออนุญาตเก่าวียนพระอาจารย์ว่าพรุ่งนี้โยมจะเดินทางไปเยี่ยมลูกที่อเมริกาครับน่าจะกลับมาตอนสิ้นสิ้นเดือนครับนจะกลับมาเข้าสู่ได้ตอนต้นเดือนหน้าครับพระอาจารย์อืจโ mm hmm. ยมจะน้อมนำำํำคงสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติในการหมั่นเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆครับ นัก<ด>จะตวิทศึกษาข้อธรรมะจากเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ทุกวันครับที่เรียนอะไรก็ยังเข้าสู่ได้อยู่อยู่านี่ไหนก็เข้าได้อย่างนี้ถ้าจําเป็นต้องเข้าเรา ว, วันนี้จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของพวกเราครับอก็คือธรรมะไม่มีอะไรสําสคัญเท่ากับธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งของพวเราอืมหลุดพ้จจนจากความทุกข์ ได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทาให้เราหนุนพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่จะมีแต่จะดึงเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆทรัพย์สมบัติชอบของของเงินทองสามีภรรยาบุญทิาดาอะไรต่างๆของพวกนี้มันเป็นตัวที่จะผูกมัดเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าบอกลาหุ่เนี่ยพอได้ข่าวลูกลูกออกมาป้๊บลาหุนเนแบบ แามว่าบ่วงเนีคุณหมาก็มีบ่วงขนาดอยู่อเมริกาบ่วงมันยังคุหมอยไปหามันได้ถ้าไม่มีล่วงอยู่ที่อเมริกาก็ไม่ได้ไปอเมริกาใช่ไหมอันนี้แหละบ่วงกาอยัตัดบ่วงเหล่านี้ได้ต้องอาศัยธรรมะพระเจ้าเป็นคนตัดเป็นคนแรกตัดสินใจสละราภจะสมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ มุ่งไหาความสงบมุ่งไหาธรรมะที่จะมาทําให้ชนะกีฬาดัดกิเลาทั้งหมดให้หมดไปจากใจให้ได้พอชนะแล้วทันกับคนที่เล่นรอบที่ถึง ท, ที่ได้ถ้าเป็นกีฬาเป็นปิงเนีน่ยเล่นดูเนี่ยมันจะเหรียนเหรียญอะไรกันหนะ้่คนที่จะทำอย่างนี้ได้หนึ่งในมนุษย์สี่แสนล้านชีวิต อันนี้แะคือความยิ่งใหญ่ของพพุทธเจา้าและคาสอนของพระพุทธเจา้าเลยนะที่เป็นที่พึ่งของเราต่อไปไม่มีคำสอนด้านพิภพนุษย์เลยว่าเราอันนี้กําลังเป็นเป็นทธาตุเรากำลัเป็นผู้ทีท่ดูเกิเลสตัญหาหลอกใช้อยู่เรื่อยๆอยาให้เรามาเวีว่าตายเกินรับใช้กิเลตตัญหามาไม่นึกจากจบจากสิ้นอันนี้เราจะลุกซื้อละนะ น้องกุเรกุชลภาพกับคืนมาอน่อาไปรับใช้กินเลนงต่อไปนย่าไปรับใช้กินเลนตัณหาความยากต่างๆในการปฏิบัติมสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสนับสนินในการรักษาศีลทมบุญทำทานไปน้องนั่งแบบเดียวกัะอาจารย์ คุณสุดครับอที่คุณสาตการจีน่าะภักธรรมค่ะพระอาจารย์มีคำถามค่ะค่ะอที่คุณยายคุณยายของสันโดนะอะบคุณยายสันโดนปสัส ก, การค่ะพระอาจารย์อ้คุณยายใช่หไหม ก็เรื่อยๆนะคะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีค่ะยังดูยูทูบได้ยังดูละครได้อยู่ใช่ไหมก็ดูว่างค่ะเสื้อไหว้่าทุกวันเลยนะคะอากา่คุณยายก็ถูกมันหนาเหมือนกันนะไม่รู้จะทํายังไงเนื่องจากอยู่คนเดียวนะคะท่านยายไม่มีอะไรคนเดียวอยู่กับความว่างน่วิเศษที่สุดรองผู้จัดจ้าบอก ปละมังสุกปละมังสุญญงนิบานังปละมังสุญญงตามว่างนี่แหละคือพ่านิพพานการสุงญี่คะต้องให้พระอาจารย์พูดเท่า น, นั้นครับผมงดออกเสียงวันนี้เข้าทางเข้าทางสันโดษใช่ไห ม, ม, มชยบ ๆ, ๆพระอาจารย์เหมือนรู้ใจอ่ะไม่หรอก พูดคุ ย, ค ย, คยสนุกสนุกกับคุณยายแล้วคุณยายจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณยายนะไม่ต้องกังวล น, นะออกเสียงกันไม่บังคับกันบอกกันได้แต่จะทําไม่ทําอำนี่เป็นสิทธิทของแต่ละคนทําได้ก็ได้ประโยชน์ทําไม่ได้ก็ไม่ได้ประโยชน์แค่ น, นั้นเองอันนี้มาส่งกันบ้านครับผมะยังไป หายไปหลายอาทิตย์อยู่มั น, น, น ม, มันมเหตุมันจะมีเหตุให้ไม่ได้เข้าซูมทุกวันพุดไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุเล่นกีฬาแล้วคน อ, อีกฝั่งหนึ่ง เ, เขาเล่นผิดกติกามันก็เลยพลาดมาโดนเต็มหน้าเราเลยจมูกกระดูกด้างแล้วครับอาจารย์แต่ว่าเป็นกานิจจังไปแล้ว S <S น้นจำอันนั้ตาดเลยก็สามารถใช้หลักยอมหยุดเย็นยิ้มได้ผะแล้วก็ทาเหมือนก็พยายามเหมือนดูใจตัวเองก่อนอนะแรกแล้วเสร็จแล้วก็วางก็ใช้กดไตรักแล้วก็วางทุกอย่างหยุดหยุดไม่ไม่ตอบโต้ อ, อะไรแล้วก็รอให้คลาสจบแล้วก็ไปหาเนอร์ส และเนสก็ให้ไอซ์แพคมาปรากฏว่าเย็นนั้นมันปวดมากคุณแม่ก็เลยพาไปหาหมอก็ไปหาหมอถึงได้รู้ว่าโหนี่กระดูกเล้าวนั้นเนี่ยคุณทนไปได้หมอก็าถามคุณทนไปได้ยังไงแล้วมีธรรมะโอษฐ์ไหมบอกคุณหมอผมมีธรรมะโอสฐ์ครับผมก็งงตัวเองอยู่แบบว่าโอ้กระดูกเช้นถึงขั้นเล้าวเช้นทนไปได้ วันนี้มีธรรมะเอาสดจะรู้สึกเฉยๆกับเวทนาทุกเวทนาอยู่กับมันได้ครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบพอไม่ได้เข้าคลาสคื อ, อพอเราไปเน้นทางปัญญามันกลายเป็นฟุ้งซ่านครับอาจารย์แล้วโดยปกติการทำสมาธิของผมมันจะเป็นอนาปานสติแต่ว่าพอ ปานาปานาสตีหลังๆมันเริ่มคุมไม่อยู่พอปัญญามากๆมันคุมไม่อยู่มันจะเตลดิดก็เลยกลับมาพุโทโธดีกว่ากลับมาพุโทโธให้มันแน่นใหม่แล้วก็ค่อยไปปัญญาต่อครับบัญชาเรามีสมาธิก่อนนะไม่งั้นพิจารณาทางปัญญามันไม่เกิดประโยชน์นะตัดกิเลสไม่ได้ช่วกิเลสไม่ไหวครับแต่นี่ก็คือหลักปฏิบัติ เอามาส่งพระจารยร์เรียนถามความจุดซ้ำตรงนท้ทำตอไปทำให้มากมากทำให้บ่อยๆโอเคคุณยายมีอะไรไหมก็ยังรื่ึถึงท่านตลอดเลยล่ะค่ะอเคอ่าอใหคุณยายแข็งแรงสุขภาพอายยืนยาวนานนะถึงวเกินร้อยปีวันนี้พระจันทร์เหมือนรู้ใจผมหลายเรื่องเลยนะรับเนี่ย กราวกับว่าคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านแข็งแรงเช่นกันครับสไปที่นาราที่ว่าคุณมาริการกับคุณอุษามาอยู่ด้วยกันเนะใช่ไหมคุณอุษาครับมาอยู่บ้านอยู่บ้านมาิการเลยมาที่วริต้าไงคะพรุ่งนี้จะขึ้นเขา ค่ะนกี่วันงานนี้เอาสิบสิบเอ็ดวันค่ะสิบเอ็ดวัน okay. <11 S 1> แต่พรุ่งนี้ไปฟังธรรมก่อนค่ะอาจารย์โย ม, มป่วยค่ะอาจารย์มาริการเลยต้องใส่แมสืมป่วยมาแล้วก็เป็นหวัดลงคอค่ะก็จะไม่มีเสียงแต่ว่ากําลังรีว่ายังไงก็มาต้องต้องมาค่ะมันยังไงมันท้าทายเราต้องมไม่ชัดเจนะถ้ญญายังไม่สร็จไสญญัยังไงก็มาได้ก็มาค่ะ ก็มันแค่ไอค่ะตอนนี้เหลือแค่อายอย่างเดียว ม, มันเหมือนแพ้ฝุ่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ได้เดี๋ยกใครได้ป่วยก็ภาวนาได้ยิ่งดีเสกเป็นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยเพราะไปทําอะไรไม่ได้นอกจากภาวนาอย่างเดียวเดีย๋ยวพรุ่งนี้ใส่บาตรแล้วไปฟังธรรมก่อนแล้วขึ้นเขาค่ะอาจารย์อย่าไปไปรับฟังธรรมก่อนค่ะโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีอะไระะไหมไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ไ ม, ไม่มีค่ะ อพอปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะคำถามมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่รู้สึกไม่ใช่อย่างงั้นค่ะมันเหมือนกับอาจารย์มันมีคําตอบมาให้อ่ะค่ะพอเราฟังทําไปปุ๊บคาตอบมันจะมาแล้วก็พอมาอ่านคําธรรมะก็มันจําได้คําตอบอะค่ะแค่ต่ว่าไม่ไม่รู้จะถามอะไรได้คําตอบมาแล้วอะค่ะคำตองคําตอบก็คือปฏิบัตินั่นแหละคือคําตอบนี่นี่การปฏิบัติไม่ได้นะทำไม ปฏิบัติมันก็จะมีคำถามมาประดังเข้ามาอยู่เนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปโนมันก็รู้อยู่มันอยู่ที่การปฏิบัตินี้่ตอนแรกๆก็มีคําถามถามค้างคาในใจแต่พอไปไปมามาอ้าวเรากําลังสัญญามาปรุงเราโง่อีกแล้วก็เลยก็เลยได้คําตอบเองค่ะจานยิ่งฟังทำมาก็ยิ่งได้คาตอบค่ะอคสคยนําตอบทั้งหมดอยู่ที่การปฏิบัติ อยิยสัจ ส, สี่ตายนักเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นในใจของเราใช่ค่ะแล้วมันจะไม่ต้องไปถามอะไรกับใครต่อไปค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณ ม, มากมากเลยค่ะอ า, าอาจารย์ต้องรักษาธาตุขันเหมือนกันนะคะอาจารย์ต้องบอกมันเีอะเราไม่ได้เป็นเย้าของมันถูกค่ะมันจะยาวให้เรารักษาฝังไว้เยอะ ยมก็คิดอย่างนั้นนะคะบอกมะริว่าเรามาได้เราต้องรีบมาเราแก่ไปทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้เราต้องรีบมาออย่าเลืมเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแต่ต้องเจ็บตั้องตายนี่เป็นเป็นธรรมะพิเศษที่ทำให้พระพุทธเจ้าทำให้ยอดชายสิทธาเอาหมวยได้คําธรรมะนี่เทวทูตสี่ลาทุกค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์พรมพิไล ับคุณนนทกูลมันยังไงเข้าโรงพยาบาลไม่ยังยังค่ะกับรสการถ่ายอย่างวันที่สิบเจ็ดค่ะกิวยาวนะหมอหมอออกทำผ่าตัดแค่วันอังคารค่ะสัรดาหนึ <laughs> <tr> ่งครั้งก็รออีกสิบกว่าวันนึงค่ะเข้าวัจัรย์ได้อีกเพ่อขอแรงให้ให้ร่างการสมบูรณ์ย่างแรง จริงๆก็ร่างกายก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะดีดีขึ้นเยอ ะ, อะแต่ว่าหัวใจไม่ดีดเป็นปกติเนอถ้าไม่บอกเาเจ็บใกลได้ป่วยก็ไม่รู้ค่ะใช่มยังไงไม่พูดเลยวันนี้ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นฮะตื่นนะตื่นหงิไปนิดนึงไง <c oughs> ทานอาหารเย็นเสร็จต้องงีบนะยีบตอนยิ่งเรียบรยสมองก็เลยพูดคุยกับเพื่อนๆดีค่ะอาจารย์เราฟังครับครับครับเรียบร้อยดีครับอาจารย์โอเคที่วางว่าทุกอย่างเขาผ่านไปเรียบร้อยดีครับครับคุณครับเดียวสำหรับหน้าหน้าก็ยังได้เข้าสูงอยู่ค่ะโอเค อาจารย์กันใหม่นะครับค่ะกรรมนักการค่ะแล้วจัดร่างฐานธาตุขัดนะคะอ่าสาธุที่แม่น้องเห็นดอน้องเห็นนครปฐมกลับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจงเจ้าค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็ไปตรวจสุขภาพเตรียมตัวผ่าตัดแล้วเจ้าค่ะก็ ประเด็นก็คือผลทางเลือดปกติอ่ะคะ่ะก็เป็นการผ่าตัดครั้งที่สิบค่ะพระอาจารย์ก็เตรียมพร้อมอะค่ะผ่าวันที่เจ็ดค่ะพระอาจารย์ก็ผ่านมันต้องเก้าครั้งแล้วไกลัวอะไรไม่มีอะไรรอ้องกลัวอะไรพระจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะจากที่หนูปฏิบัติและฟังทำมาหนูได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะพระอาจารย์เช่นแต่ก่อนหนูมีความอยากตะกินใช่ไหมคะมันเลยเปลี่ยนตัวเองจากไซส์เอสกลายเป็นเอเลยค่ะพระอาจารย์ พอหนูมาตั้งใจปฏิบัติทมแล้วก็ใจมีความสุขแล้วกินน้อยๆก็คือระดับเออไซส์ก็จะเล็กลงเลยค่ะก็กลายเป็นว่าอร่างกายดีขึ้นนะคะพระอาจารย์หนเมียทานอาหารน้อยก็ไม่ได้หิวค่ะมีความสุขทางใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเป็นข้อดีเลยค่ะพระอาจารย์ในการลดน้ําหนักแต่ว่าถึงแม้มันอาจจะไม่เร็วแต่ว่า ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็หุ่นก็ปกติด้วยอะค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ข้อดีจากการแล้วก็ยาหนูถึงแม้หนูจะผ่าเยอะเป็นโรคเยอะแต่ก็ไม่ได้ทานยาประจำอะคะ่ะก็ใช้ธรรมะโอสถเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ก็เลยมีความสุขกับการปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศพระอาจารย์ตลอดเลยะคะ่ะนี่ใช้ธรรมะโอสถให้มากที่สุดนะ ทำใ จ, ใจ<ะ>สงบมันเลยเป็นความสุขพอเวลาหนูนั่งรถเมนูก็เเคาแต่ปฏิบัติธรรมมันเป็นสุขในการปฏิบัติอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยนิ่งเงียบสงบค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยู่บ้านเฉยก็มีความสุขเลยะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยะคะ่ะธรรมะยอมรักษาผู้ปฏิบัติให้เจ้าค่าปลอดภัยนะคขับค่ะพระอาจารย์ซาทุโอเค ไป<ช>ที่คุณนิงแต่คุณนิงไม่ได้กลับมาหลายอนะาทิตย์นะมาที่มาที่วัดแทนค่มาเการค่ะพระอาจารย์คุณ ด, ดังหน่อยนะค่ะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะพระอาจารย์<ม>ก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าโยมไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาไม่สบายแล้วก็มีได้เจอเพื่อนเพื่อนทีนี้ว่าการปฏิบัติอะเวลามันมานั่งสมาธิเจ้าค่ะมันก็จะรวมจิตค่อนข้างยาก เพว่าเหมือนกับเราไปไปสังสรร์ไปคุยไปอะไรสนะักมันฟุ้งอะคะ่ะพระอาจารย์มยมก็เลยไปฟังธรรมะที่น่ากุติเจ้าค่ะรู้สึกว่ามันทําให้เพื่อแบบให้จิตใจมันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะคะ่ะเรื่องสติกลับมาค่ะแต่ก็ใช้เวลาเจ้าค่ะแล้วมันทําให้เราเห็นกิเลส ด, ด้วยอ่ะคะ่ะ อาจารย์แบบว่าบางทีพอเราไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยยมเห็นนะยมเห็นรู้สึกเห็นตัวอย่างเลยเห็นเพื่อนมีลาบูบูพระอาจารย์พระสาวอาจารย์มันจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่เพื่อนเพื่อนเขาก็ซื้อกันหมดเลยอ่ะค่ะแล้วเขาก็เปิดกล่องจุ่มกันใช่ไหมคะแล้วโยมก็เกือบจะซื้อและวแล้วยมก็แล้วลูกก็ว่าไงลูกบอกว่าแม่แม่แม่อยากได้แม่อยากได้เหรอบอกใช่หรือยวแม่จะเลื่อกแม่อยากได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแม่เห็นเพื่อนแม่มีแล้ว แม่ก็จะมีตามเขานะยงก็สอึก อ, อีกคนนก็บอกแม่แ ม, แม่มันปัญญาอ่อนนแม่แม่แมแมจะเอาแล้วยงก็รู้สึกว่าเอ้แต่ว่ามันยังอยากอ ย, กอยู่ค่ะอาจารย์ลูกก็แบบกระแทกจิตมาวานสองสามรอแล้วยงก็เอ้จริ ง, รงๆเราอยากได้นะทำไมถึงอยากได้ก็แบบเพราะว่าเราเห็นคนอื่นมีเหรอแล้วพอดีไปวัดเห็นคนทำบุญเขาก็แบบเอาลาบบุ้บฮิ้วใส่ตัวชุดไทยน่ารักมากเลย แต่มันเป็นความอยากค่ะว่าจารย์แล้วยังก็วุ่นอยู่กับแบบแต่แต่แพยายุ่นวุ่นคือแบบว่าพยายามตัดกีเลยนะคะแล้วก็เข้าสมาธิแล้วก็ไอ้ความอยากที่มันมีอ่ะเดี๋ยวก็อยากนู่นอยากนี่มันก็สงบลงตอนนี้ไม่อยากได้แล้วค่ะก็ดูของที่เราอยากได้เราได้มานแล้วเป็นยังไงเนี่ยนี้เก็บไว้ในตู้เก็บไว้ไม่ไเล่นกับมันไม่สนใจมันเลยแต่ว่ามันก็ก็ก็ก็ก็อยากอยู่ดีค่ะว่าจารย์แต่มันต้องใช้ ยังก็กพยายามใช้สมาธินะคะพอมันไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถตัดได้ทันทีก็กกพยายามใช้ปัญญาค่ะ mm hmm. ก็เลยต้องไปไปฟังธรรมนาน้ากุติค่ะพระอาจารย์ใช้พลังพระอาจารย์น mm ั hmm. ่นแหละช่วยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือมานั่งสมาธิแล้วก็สงบได้แล้วก็เข้าถึงอุเบกขาได้ค่ะมันก็จะว่างๆเฉยๆไปแล้วก็ประมาณ ทำประมาณวันหนึ่งประมาณสองครั้งอะคะ่ะถ้าทําได้แต่ว่าไม่ได้นั่งยาวแบบยาวแบบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยยังไ ม, ไม่ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีทําทำเท่าที่เราทําได้อย่างน้อยขอให้ได้ทำกันแล้วกันค่ะไ ด, ได้นอนได้นอยกันแล้วแต่กําลังแต่ว่าก็ถ้าเราไปเจอกลุ่มเพื่อนสังสรรค์ชิดแชทมันก็จะเหมือนทําให้สติเรามันเตลดิดนะคะพระอาจารย์ ได้ผู้จ่าสามให้คลุกคลีกันเนี่ยนักปฏิบฏัติต้องไม่คุกคลีกันแยกกันอยู่กันยังสังคมกันอยู่มันก็มันก็เป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราฟุ้งซ่านทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิเจ้าค่ะมันพอเวลามันไปแล้วมันจะดึงกลับเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าเหมือนเราท า, ทางโลกเขาก็คือจะคุยกันแต่เรื่องเรื่องอะไรพวกเนี้ย แต่ว่าเราจะจะเข้าเหมือนกับว่าถ้าเราแบบเหมือนกับแบบทําตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทําเป็นแบบธรรมะมากเพื่อนบางทีมันก็แบบน่าเบือ่อไงไม่อยากคบไอ้นี่มาอีกแล้วมาทำมาอีกแล้วําคาญอะไรเงี้ยอ๋อ ถ, <laughs> ถ้าเราทำมาเราก็อยากไปถ้าไปก็ต้องทีมทำมาที่บ้านค่ะต้อง<ม>คุยเล่นอะไรเนี่ยได้ถ้าไปกับเขาก็ต้องก็อยากเป็นคนเป็นเทนตตรงเป็นธรรมะเดี๋ยวเขาจะหมัอน <laughs> ใช่พระอาจารย์แล้วมันมันก็จะมีคนที่แบบ ชอบอยังไงดีค่ะก็นั่นแหละค่ะมันจะเข้ากับสังคมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะทํำมากเราก็ต้องตัดสังคมไปก็มีเพื่อนบอกว่าต้องทําแบบตัวนินเนะียเนี่ยแบบว่าอย่าไปบอกใครว่าเราปฏิบัติแล้วก็คือเราก็ต้องแอบแอบทำไปแล้วก็เจอกันก็ทักทายไม่ต้องไปบอกเขาแล้วพอเราเราก็มาปฏิบัติของเราไม่เราจะได้ไม่ถูกขมิลอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยพบกันให้น้องๆน้องแล้วกันไม่ต้องบ่อย โอีคค่ะอาจารย์ลดลดการพบปากลงไปอยังตัดไม่ได้เลยก่ะนดปริมาณการพบปากันรให้น้อยลงไปโอ้วค่ะตอนนี้ตัดละบูบูได้แล้วใช่ไหมอาจารย์เมืีอไหร่เราคนได้ทุกโลกเรบนี้ทุกทุค่ะใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็บ้ากันปใหญ่เลยค่ะโกะค่ะแต่มันกก็ ยมไม่ทันยมทันไอ้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ค่ะมันก็เป็นตุ๊กตาพูดได้แล้วก็โอ้โหตอนนั้นก็ฮิตกันจังเลยก็ตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีคําถามอื่นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็อ่านธรรมะพระอาจารย์ทุกวันก็พยายามปฏิบัติให้ให้มันมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ได้ดีพายามหนใจให้เข้ามาในทางธรรมะด้วยกันนะเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วค่ะพระอาจารย์โอเค ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอาจารย์สายทิมเป็นยังไงด้ึ่อออกจากย t u b e ได้ยังยังติด YouTube อยู่ตบบนวัตกรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะยังอยู่กับ y o u t u ู e ค่ะตอนนี้เอาสินหกให้แน่นค่ะพระอาจารย์หกหกครึ่ง YouTube เดี๋ยวจะสเต็ปต่อไปค่ะแต่ว่าหกนี้ได้แน่นอน ก็คือจริงๆนอนที่นอนแข็งบางทีก็เจ็บหลังแล้วก็มองอช่างมันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากต่อไปเดี๋ยวไอ<ช>ต่อไปข้าเย็นเข้า เ, าเย็นกันบยูทูบในยามเข้าเย็นจริงๆหนูหนูด้วยความจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะพระอาจารย์ก็ก็ไม่ได้หิวแต่ว่าตอนเที่ยงหลังเที่ยงมันมีผลไม้ยอยู่ที่บ้านเยอะคะ่ะ hmm แล้วที่บ้านเป็นเบาหวานเป็นโรคไตเขากินไม่ได้หนูก็มอง ไอ้มาว่งนี้สึกก็เสียดายเนาะกินซะหน่อยทำไมแม่ไปทําบุญน่ะเจดายก็ไปทำบุญได้จริงๆก็ก็แบ่งไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ค่ะพระอาจารย์ก็อย่าไปแบ่งนะเอาไปมนเลยไม่แบ่งได้ค่ะจริงๆจริงๆก็บอกให้ให้คนอื่นเอาไปแต่ละบ้านเขาก็มีค่ะพระอาจารย์เขาก็ไม่เอาก็เลยโอเคได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยว จะหมดแล้วคะ่ะหมดหน้ามะม่วงช่วงนี้ไม่ไม่ได้ไปขึ้นเวรร้านยาคะ่ะให้เพื่อนๆคือนขึ้นเป็นช่วงว่างของหนูแล้วก็สอนน้อยลงช่วงนี้ปิดเทอมคะ่ะพระอาจารย์ <laughs> ก็เลยเพักร่างกายพักสมองปรากฏว่านั่งสมาธิได้ดีขึ้น <c oughs> มีรถมีรถถ่านบ้านมีเพลง ค่ะนั่งสมาธิได้ได้ลึกขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้สึกรู้สึกสงบขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการนั่งสมาธิค่ะนั่งทำงานน้อยลงการ น, นั่งสมาธิมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็อ่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยสงบหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่ก็เห็นเห็นแล้วว่าถ้างานนั้นมันมีผลทําให้จิตเรา ไม่สงบจริงๆค่ะพระอาจารย์เราอีกสักอายุประมาณห้าสิบห้าค่ะพระอาจารย์น่าจะได้ผ่อนๆลงเราวางมันไม่ถึงนะตายก่อนไม่มีใครไม่มีอะไรใครรับประกันได้ค่ะอ่าทีเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ มีวันหนึ่งนั่งอยู่ในสวนค่ะพระอาจารย์นั่งชิงช้าแล้วก็คุยงานปรากฏว่ามีงูเลื้อยผ่านไปใต้ขาผ่านผ่านข้างใต้ไปแล้วก็มองดูใจใจมันก็ไม่กระเพื่อมนะคะพระอาจารย์แล้วก็มองแต่ว่าใจมันก็คิดว่างูตัวนี้เป็นงูงูมีพิษไหมอะไรเงี้ยค่ะงูตรงอ่างงูหองอยเอ๊ะไม่ใช่เราควรจะร้องหบอกที่บ้านไหมถ้าร้องหบอกพ่อมาฆ่าแน่ก็เลยทําทําเงียบ <c oughs> ๆค่ะขวายปวด ป่อปล่อยป่อยเขาไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ปกติถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะน่าจะโวยวายว่าโอ้ยงูงูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีสติว่าถ้าลองขึ้นตายแน่งูตายแน่นีค่ะก็ปล่อยเขเลยไปมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่ค่ะค่ะสาธุค่ะไปที่เท็กซัสคุณสิภัสตากลัมาเท็กซัสเลยยังยังอยู่วันตรงนี้อยู่ จับนมัส ก, การปายการเจ้าค่ะลูกยังอยู่ไวโอมิงเจ้าค่ะเดี๋ยวเดินทา ง, ทางกลั บ, บวันเสาร์นี้เจ้าค่ะเักอยู่ในรถนะพักอยู่ในรถนะก็มาเจ้าค่ะก็ก็ก็เป็นส่วนตัวดีได้ได้มีเวลามานั่งสมาธิก็ได้แค่กำหนดเวลาเหมือนตอนอยู่เทคตซแสเ้เจ้าค่ะแล้วก็พอช่วงที่แบบก็มีเวลาบ้างที่ไปช่วยคุณแม่สามี ทำสวนทำอะไรก็คือสลับไปอ่าเจ้าคะ่ะเวลาทำสวนก็อยู่กับสติแล้วก็ประนั่งสมาธิอยู่ที่ในรถบ้านเจ้าคะ่ะก็จะยังปฏิบัติเหมือนเดิมเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วไม่มีอะไรจะประเสริฐสุดเท่ากับทางนี้แล้วเจ้า ค, ะาาค่ะใช่อเม ร, ร, ริอรกอเมริกจะวิเศษขนาดก็สู้ธรรมะไม่ได้นะไม่มีอะไรวิเศษเท่านี้อีกแล้วเจ้าค่ะไม่มีอีกแล้ว เป็นเครื่องคุ้มครองใจที่ประเสริฐวิเศษสุดลูกรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงว่าดีใจที่ได้ได้มีโอกาสได้พบพระอาจารย์เจ้าค่ะได้เปลี่ยนชีวิตลูกทั้งชีวิตเลยเจ้าค่ะลูกลูกมีความสุขมากกับทางเส้นนี้เจ้าค่ะมากจริงจริแห่งธรรมนะรถสงปรุงเจ้าค่ะเ จ, จ้าค่ะจะเจ้าค่ะว่าครับไม่รู้จะพูดยังไง แล้วก็ไปที่สุดแล้วเจ้าค่ะลูกรู้สึกรูบเจ้าค่ะรู้สึกลุบมีบุญเจ้าค่ะที่ที่ยังไม่ตายก่อนที่จะได้สัมผัสทางนี้เจ้าค่ะลูกรู้สึกรูบเป็นคนที่มีบุญเจ้าค่ะแล้วก็มีบุญที่ได้งานเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เาค่ยยาไปจนจุดสูงสุดให้ได้เลยนะไม่ยังไม่ตายรู้ถึงแล้วก็ไม่รู้นะถึงแล้วก็ดีแต่ยังไม่ไม่หรือ แต่ว่าลูกเชื่อว่าลูกจะเพียรพยายามไปจนที่สุดเจ้าค่ะชาติไหนชาตินั้นชาติมีชาติหน้าชาติไหนก็จะเพียรพยายามไปเจ้าค่ะจะจะให้ฝังอยู่ในใจแบบเนี้ยเจ้าค่ะอถ้าเพียรจริงๆชาติไห้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายก็ได้สาธุทูกค่ะสาธุทุกค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุทุกค่ะไปครับที่คุณหมอพัฒนศนะชาติสุดท้ายป่ะคุณหมอเอาชาติที่เป็นชาติสุดท้ายป่ะ กขอบคุณเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งใจปฏิบัติมีเป้าหมายพระอาจารย์ก็ตั้งใจค่ะแล้วก็เบาขึ้นเรื่อยๆลงขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะว่าอาจารย์ก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าก็มันก็เห็นแล้วว่าเออจริงพอยิ่งฟังเยอะๆแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่าเออมันลดของความทุกข์จริงๆค่ะอาจารย์สมัยก่อนนะคะรู้สึกว่าเออมันทุกข์นิดหน่อยเกิดมามีความสมัยก่อนนะคะพระก็เพิ่งเคยบอกว่าเออทุกไม่พอตอนนั้นไม่เข้าใจท่านพูดอะไรทุกไม่พอตอนนี้เข้าใจแล้ว อคือแบบมัน <library> ก็พยายามตั้งใจปฏิบัติพระอาจารย์ค่ะทาตลอดได้ะหมพระอาจารย์แล้วก็มีแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยพระอาจารย์มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงขึ้นด้วยอยะพระอาจารย์อ่ะเบาขึ้นลงขึ้นพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเจอข้อสอบใหญ่ๆเดี๋ยวได้บรรยายจะเบาไหมคะเต็มพร้อมตลอดพระอาจารย์ถือดาบปัญญาที่เพื่ออาจารย์บอกตีมากก็ถือดาบแล้ว สิ่งหนึ่งข้อที่พระอาจารย์บอกพยายามตั้งใจในการทำแล้วก็ตรวจตาตลอดนะพระอาจารย์มองทุกอย่างก็เดี๋ยวนี้มองทุกอย่างเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วพระอาจารย์มองเห็นเข้าใจแล้วก็พยายามดูว่าเออเนี่ยมันไม่มันไม่มีไม่มีแม้แต่แม้แต่แม้แต่ตัวตัวใจแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็แบบมันมันง่ายขึ้นอ่ะพระอาจารย์เหมือนมันง่ายขึ้นในการทําแล้วก็พระอาจารย์นิพนธ์ออกมาแล้วนะคะกลับไปวัดพัมมิงมูดเมื่อวันที่สาสิเอ็ดเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลนะคะกลับไปวัดไจะได้ค่ะ ท่านฝึกเดินที่โรงพยาบาลตั้งฝึกอุ้ยท่านแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะคือแต่ว่าท่านก็ท่านบอกว่าเนี่ยท่า น, นเป็นหมอเองเหมือนกันเพราะว่าท่านเดินได้ตั้งแต่สักสองสัมมทิศแรกอะ่ะเป็นเยอะมากนะพระอาจารย์แต่ว่าท่านหายได้แบบดีมากเลยแล้วก็เดินได้แต่หมายถึงว่าเดินก็ยังยงังบังแบบไม่ได้เดินแบบปกติแบบธรรมดานะแต่ก็ยังเดินได้นะแล้วแต้วก็กลับไปที่บัดพมิ่งภูเหลือที่จังหวัด<ม>เลยนะคะ ย, ยังไม่ได้มาได้มาได้มาวัดที่ที่ป่ากเซอาน้อยเดี<ม>๋ยวว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยว เออคุยกคุณพ่อก็เดี๋ยวจะไปหาท่านพาคุณพ่อไปแล้คุณพ่อก็อยากจะไปกราบท่านด้วยค่ะพ่อตัวเองขอบคุณมากค่ะอาจารย์อะไรที่เอาเอคุณนิสาเปยังไงสติกลับมาครบด้วยนะใช่ไหมกราบนวัสการ์ค่ะอาจารย์สติกลับมาแล้วค่ะคอาจารย์ลูกลูกตองตังมันค่ะค่ะอาจารย์ลูกไว้ ไม่กลับไปแล้ไม่กลับไม่ถอยแล้วคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. พราะเวลามันมันขาดสติมันมันถอยแล้วมัน mm hmm. มันกลับมามันใช้เวลานา น, านคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่มีถอยถอยคะ่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันนะคะโอเคคุณปุ้ยนักสบร กาเจดข้ออยู่นะสิ้นเจ็ดอาจารย์อะไรนะคะยังสิ้นเจ็ดอยู่นะอ๋อสิสินเจ็ดกลางวันสี้นแปดกลางคืนค่ะอาจารย์สิ้นแปดตอนนอนใช่ไหมไม่ไม่ใช่หลังหลังหกโมงอาจารย์หลังหกโมงจริงๆรอาจารย์เพราะหลางากกินหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วแค่มาถือสิ้นเจ็ดใช่สิ้นถือสิ้นแปดที่หลังนี้ เออโยมไม่ทานเข้าวเย็นเลยพระารอาจารย์โยมทานแค่มือเดียวแค่มื อ, อ, มอกลางวันก่อนเที่ยงแล้วโยมไม่หิวด้วยโยมทํามาต้องปีกว่าแล้วยมไม่หิวเลยนะจริงๆริงแล้วไมต้องทําไมต้องเราเราให้เย็นก่อนเนื่งว่าค่อยมันถือศีลแปดนะอ๋อก็พระอาจารย์บอกว่าเออโยมแต่งหน้ายมถือศีลแปดไม่ได้โยมโ <im iek> ยมก็เลยบอกว่าพรุทธเจ้าบอกว่างั้นกลางวันถือศีลเจ็ดกลางคืนถือศีลแปด น่าเราเป็นวิเศษอย่างนั้น ต, ต้องไปรักษามานนะั้นพุทธเจ้าบอกให้ให้รักษาทำยิ่งก่อารักษาชีวิตนะน่าโ ย, ยมก็ปฏิบัติเหมือนกับพระอาจารย์สอนแต่อาทิตย์นี้โยมดีขึ้นใจมันสบายขึ้นแต่ว่าโยมมากังวลเมื่อโยมมาแบบดูกิเลสเล่นเมื่อวานนี้เองเพราะว่าโยมกังวล เพราะว่าเขาจะเลือกตั้งและทีนี้โยมได้ใบามาและลูกชายโยมบอกว่าส่งใบ ม, มาเลือกตั้งแล้วแต่ทีนี้ เ, ออเขาก็ส่งมาม า, มาบอกว่าลูกคุณจะต้องไปเลือกตั้งนี้นี่โยมโยมก็เลยกัยงวลมากเลยกังวลแบบทาไมไม่แล้วเราจะทำยังไงวะถ้าเขาไม่มาแล้วเราจะทำยังไงคือเด็กอะ่ะคือเด็กโยมก็บอกพระอาจารย์เผาเด็กดื้อและอีกอย่างหนึ่งโยมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดเขาไมมา แล้วเขาก็ส่งส่งใบไปแล้วแต่ทีนี้ทางอำเภอเขาไม่ได้รับ่ะคะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วเขาจะเลือกตั้งโยมก็กลัวเดี๋ยวเราจะมีมีปัญหาอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโยมเรื่ององืนโยมก็ไม่มีปัญหาอืมก็ ด, ดี ต, ต่โยมก็นั่งสมาธิอะไรจะเกิดก็เกิดไม่กไปกังวัอย่าไเลยทำให้ดีที่สุดแล้วกันใช่โยมโยมนั่งสมาธิแลวทีนี้ มันมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่ใช่จิตจิตจิตยมปรุงแต่งนะคือคือยมสังเกตมาสองผลแล้วมันเหมือนมีไอ้อะไรแหลมๆมันไหลเข้ามาในตัวโยมหรือโยมจะไปตรวจหมอ ด, ดีไหมมันเวลาเรานั่งสมาธิและทีนี้เราไม่ได้อาจิตไปจับตรงนั้นแต่ทีนี้เราเอาจิตจับที่ทำบริกรรมเออเรานั่ง พุโทรพุโทรแ ล, แล้วเรารู้สึกว่าอืปวดจังเลยว่ะปวดปวดแบบปวดเหมือนกับเข็มมาทิมอ่ะเข็มมันมันเล่นอยู่ในตัวเราเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆพระอาจารย์ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิก็แสดงว่าเป็นจินเด่นหมอช่วยไม่ได้หไปหมอหมอเขาทำอะไรไม่ได้เรากินเดเราแต่ไม่ได้นะใช่ค่ะยมเชื่อแล้วทีนี้พอพอสักพักหนึ่งยมก็นึกถึงพระอาจารย์ ยมนึกถึงหน้าพระอาจารย์แล้ะยมก็อาลาดนาตั้งตั้งจิตอธิฐานนะขอว่ายมคิดดีทําดีนะขอให้ผ่านแล้วสักพักมันก็หายไปอาจารย์มันก็หายไปเฉยๆยมมันยอย่างนี้ยะสองหนยมนั่งวันนั้ น, นที่ยมขาดสติเวลาหน้าขาดสติมันกเกิดอย่างนี้ขึ้นมาออ๋ยมฟังพระอาจารย์เมื่อวันอะไรล่ะเมื่อวันเมือม่อวันอาทิตย์อ่ะ ยมนั่งฟังพระอาจารย์น่ะยมรู oui> me, yeah. ้สึกเวลามันสั้นจังทําไมพระอาจารย์เทศหนึ่งชั่วโมงหน้ากุฏิมันมันสั้นนิดเดียวมันเมื่อก่อนเราคิดว่ามันยาวนะแต่เรามันจบแล้วเหรอเอ้าพระอาจารย์ให้พอแล้วเหรอนั่นเหนื่อยชั่วโมงพูยคนเดียวเหนื่ยจะตายเลยได้วม่ไงเนาะไม่ยมยมปกติยมจะบอกว่าเออมันยาวเนาะเวลามันยาวแต่ทีนี้ เฟังฟังครั้งนี้ว่าอไม่พอาจารย์พูดสั้นนิดเดียวเหมือนกับพูดห้านาทีเรายังคิดอยู่ในใจนะเพราะเราหลับเราหลับมันก็เลยรู้สึกแล้วแค่หลับแต่คือมันมันมันเหมือนกับนิ่งๆแล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เราหลับหลับแล้วหลับมันก็เลยเลยแต่โยมไม่ได้หลับจริงๆพระอาจารย์คือคือโยมรู้สึกอีกทีตอนพระอาจารย์บอกว่า อะไรอะไรที่ที่ที่เป็นภาษาบาลีที่อาจา ร, รย์กดอาจา ร, รย์กดนามาะแผ่บุญ ะ, ะใช่ค่ะโยมอะอะไรวิวันนี้มันไวเร็วจังปกติเราเราคิดว่าออยังไม่จบอีกเลยบางทีงทีโยมหมาโยมอะมันมานั่งสมาธิอยู่ด้วยอนันนี้หมามันกระดุกกระดิกและอีนี้ก่อนก่อนที่พระอาจารย์จะจบประมาณห้านาที โยมจะรู้สึกตัวทีนี้แต่ครั้งนี้ทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราก็สงสัยอาจจะเป็นเพราะเรานิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันมันดีอยู่อย่างตรงที่โยมมาฝึกกับพระอาจารย์แล้วโยมช้าลงทำาไรช้าลงแล้วก็ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกโมโหง่ายในทีนี้เรา เ, นะเรารู้สึกว่าอะไรนะคะ อ่าเอาเท่านี้ก่อนนะไม่มีอะไรไหมอืมไม่มีค่ะพระอาจารย์โอเคโยมจะมาขอพรพระอาจารย์ค่ะขอให้โดยอนะไรนขอให้สวยไม่ขอให้จนโอสาธุเจ้าค่ะขอขอให้พระอาจารย์นะมีท่าขันแข็งแรงถึงร้อยปีเลยนะพระา okay. าอาจารย์โอเคสาธุไปที่กุนแดนตาอุดร วันนี่ดีไม่มีปัญหาปลอดภัยนะคะการน้มรับการค่ะค่ะอาจารย์เป็นเป็นคุณพี่ช่วงต้นๆค่ะที่ถ้ามีคําถามก็จะรู้เลยว่าท่านถ้ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะบอกว่าขาดสติก็เลยต้องทำเอาค่ะเลยได้คําตอบเลยค่ะไม่ทําดีกว่าหาคาตอบเองดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าเราขาดสติค่ะแต่พอเรามีสติทุกอย่างก็ผ่านไปได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์ ขอบพระคุณค่ะาาอาจารย์ที่คุยินดียนยินดีวันนี้พาไคมาด้วยจริงเมือเปล่ า, าใช่ค่ะท่านอาจารย์ภาพมันหมดทุไทายหายโ้โหหายหายภาพภาพเป็นเหตุกับมในมรดกกาพรพอาจารย์ค่ ะ, ะเป็นยังไงเรื่องเก่าเจอกันแล้วดีใจไหมต้อเข้ามาบพอดีเนาะเขาโทรมาแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้เข้าสู o ม m e ้ t จะมาฟังที่บ้านไห ก็เลยมาด้วยค่ะก็เลยเต้องฟังทำกันก็เลยร่วมกันต่อไปกับเขาเองหน้าีไหนก็เข้าได้เข้เามาเก่าท่านอาจารย์พี่ก่าท่าอาจารย์มีอะไรไหมเก่งอ๋อก็เราปฏิบัติก็ฟังพระอาจารย์อยู่ตลอดเวล า, า, าท่านอาจารย์แสดงธรรมก็เปิดทางออนไลน์ฟังค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ทําทั้ง ก็ค sí ือทําตลอดทัที่ทํางานก็ก็ทำแล้วตอนนี้ก็พอเราฟังทำแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ทําให้เราเข้าใจในในธรรมเนี่ยมากจริงครับว่ามีตรงไหนก็มีการปฏิบัติธรรมได้หมดนะคะมีวันเพื่อนรักษาใจเราให้แม่ชุบให้ใจเราเย็นให้ปล่อยวางไหมก็มันก็สงบขึ้นนะค่ะจิตใจมันก็เย็นลงอะไรที่มันเคยกระเพื่อม มันก็การกระเพื่อมนั้นมันก็การรับวตอนลมอะไรเข้า ม, ามันก็เบาเลงค่อะอาจารย์เ อ, อ, อไป ม, มีอะไรอยากกระถามไหมค่ะไม่ไม่ยังไม่มีอะไรไม่มีนะตั้งแต่รู้จักกัน้าไม่เคยถามเลยนะ <c oughs> แสดงว่าปฏิบัติปฏิบัติได้ไม่ต้องถามแนะม่ก็ฟังแล้วก็ก็ก็คือได้คําตอบจากที่คนอื่นที่ถามมาค่ะเราก็ได้คําตอบ การขอพระพรนะี่อืมยินดีไหมนะบ่าไม่มท่านอาจารย์อเคตลอน่าจานอ่าทำนี้ก่อนนะอ๋อขอบคุณท่านอาจารย์อยากเชิญกันจ้าสาธุที่คุณโอพีเคครูเกน่าจานได้ยินหรือเปล่าได้ยินน่ากล่วักชารารนักอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้มารายงานผลเจ้าค่ะอาจารย์มามาจิตวันที่เจ้าค่ะพระอาจารย์วันที่สองที่ผ่านมาก็เลยงดทานข้าวแล้วก็นั่งนิ่งๆประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าชั่วโมงแรกเนี่ยนั่งท้ายครัวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดียังไม่สะดวกเข้ามาในห้องหนึ่งเจ้าค่ะปิดมือถือตั้งแต่ตอนตอนเริ่มนั่งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เริ่มอ่าแล้วก็ลองอยู่นิ่งๆมันเห็นชัดว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่า การหาสติเนี่ยให้ให้อยู่กับบทสวดมนต์อิติปิโสจ้ะค่ะอ า, าจารย์มันก็จะแบบแวบออกไปแล้วมันก็จะบอกว่าได้มาบ้างลืมกลับมาได้บ้างแต่พอตั้งสัจจะว่าเราจะสวดอิติปิโสไปกี่รอบอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะอ า, าจารย์พอสวดไปปุ๊บพอมันลงลึมไปปุ๊บเราจำไว้ได้แล้วมันก็จะแวบ ก, บออกลกกับมาอิติปิโสไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกไปบ้างแล้วก็จะกลับมาอิติปิโสอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะอ า, าจารย์ mm hmm. แล้วก็พอพอกลับมานั่งที่ห้อง มันก็จะมาเห็นชัดขึ้นว่าร่างกายมันก็ยุกยุกยเจ้าค่ะพาจารย์คือมันก็บอกเปลี่ยนท่านั่งบ่อยเดี๋ยวนั่งพิงผนังบ้างเพราะดูไม่ได้นั่งเกาอี้เจ้าพยาจารย์นั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ขัดสมาธิเดี๋ยวก็พับเทียบเดี๋ยวก็นั่งพิงผนังเดี๋ยวก็อติปิโซอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเห็นวันดีดดิ้นความไม่นึ่งแต่อย่างใด้องไมมันไมหมันเคลื่อนไหวไปไหนมานให้มันอยู่จุดเดียว จ้ะค่ะยังยังอยู่ในห้องเดิมจ้ะค่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เดินจงกรมอะไรเพราะว่าจําำแรกพ่ออาจารย์บอกว่าไม่ต้องเดินจงกรมใช่ไหมค่ะให้ในให้นั่งหรือไม่ก็ยื่นจะค่ะแต่มีพอดีว่าพอดีตักผ้าก็เลยมีแวบออกไปดูว่าฝนตกอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะะอาจารย์มีมีลูกเตช่วงหนึ่งไปไปนะถูกแล้วไนะเดแบบแทก็จากจากหชั่วโมงก็เลยเพิ่มเป็นเจ็ชั่วโมงอย่าจ้ะค่ะอาจารย์ก็คืออยู่จันถึง ก็แต่หกโมงถึงบ่ายโมงเองจ้าค่ะก่อนที่พันธ พ, นพนระอาจารย์จะเทศเจ้าค่ะอืมันมันพอพอได้ทําจ้าค่ะพระอาจารย์พอวันลูกขึ้นแบบพอดีลูกติดงานที่ว่าต้องไปเคลียร์ข้างบ้านทําหลังคาเคลียร์สวนอะไรงเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยจะทําให้ขาดช่วงไปแต่รู้สึกว่าเห็นเห็นอีติปิโสชัดขึ้นว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรู้จำเลยว่าเวลาลูกออกไปข้างนอกเหรืออะไรเจร้าค่ะพระอาจารย์ลูกจะอยู่กับปสิวนมนีติปิโสได้เจ้าค่ะ เวลาเดินบางทีไปซื้อของในห้างได้ยินเสียงเพลงเนี่ยลูกก็จะอีตีปีโซตลอดเลยนะคะบางทีจะเอาตรงเนี้ยไปสู้ได้อย่างเงี้ยจ้ะแล้วตอนตอนที่ผ่าตัดเนี่ยก็หมดสติไปกับอีตีปีโซเจ้าค่ะอาจารย์ตอนที่ลูกเคยผ่าตัดมาแต่พอมาหลังจากผ่าตัดเมือนอีติปีโซมันหายไปแล้วเพิ่งเพิ่งกลับมามันไึ้ได้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่กับอีตีปีโซอย่างเงี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็วันเววัมีต่อเนื่องเลยจ้ะค่ะอาจารย์พอพอเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้มันก็จะขาดไปวันนี้ลองลองพยายามว่า ปฎิธรรมสวนก็เลยพยายามจะดูกายแต่มันก็ไปอยู่กับการทําแล้วก็มีแวบไปแล้วก็พยายามว่าเออมามาดูหน้ากายอย่างนี้จ้าค่ะพอาจารย์แต่มีของเมื่อวานเนี่ยก็คืออย่างพอพอมันไปคิดอะไรปุ๊บมันก็จะนึกว่าเอาอิติปิโสมาอย่างนี้จ้าค่ะพระอาจารย์เริ่มกลับมาอิติปิโสได้บ้างจากที่แบบทุกทีมันจะแบบว่ามันคิดคิ ด, ค ด, คดจนแบบจนไม่สตินี่หายไปหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์จะคิดเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะจะแบบ โดนดึงไ ป, ปนูป่นไปนีป่ไปนัป่ น, นอะไรอย่างนี้จะ้ะก็เริ่มมาได้หน่อยหนึ่งจะ้ะแล้วก็มาขัดช่วงเพราะว่าวันนี้ก็ทํางานแต่ก็พยายามพยายามให้มีสติให้มากที่สุดนึกคือดูมือบ้างดูงานที่ทําอยู่บ้างอะไรอย่างนี้จ<ม>้าก็มาพอพ อ, พออ่านคลิปผ o ้ค่ายาจารย์วันนี้จะ้ะวิธีการปฏิบัติที่ ท, ที่ที่ดูมือดูกายอาจารย์หว่าถ้าเกิดว่าเราดูร่างกายก็คือเราไม่ต้องไปไปคิดอะไรให้ดูแต่กายที่กระทำอยู่ ดูเงนิงนหรือทำงานก็ดูหลิงเช่นร่างกายทำอะไรก็คอยเฝ้าดูเงินน่ะมั น, มน จ, <า>จะได้ไม่ผิดพลาดทากับข้าวก็ดูเงินทำกับข้าวไปอย่าสนใจไปจที่อื่นนะคะเหมือนไม่ช้าตอนตอนล้างชามล้างถ้วยอย่างงี้จ้ะค่ะพระอาจารย์ลูกพย า, ยามีสติอยู่กับการล้างเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันจากที่ปกติเนี่ยเวลาเราล้างชามอะไรที่จะกระทบมันจะเสียงดังใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เมื่อเรามีความระวังมากขึ้นคือเสียงจากที่ เสียงดังกลายเป็นว่าไม่อยากให้มีเสียงแล้วมันจะเสียงเบาเหมือนจะเสียงน้อยมาอะไรอย่างนี้เจ้าคะพระอาจารย์เขานี้เขาเรียกสัมปชัญญะด้ไหมเจ้าคะเรามีสติสัมปชัญญะพระปฏิบัติเวลาทํางานอะไท่านจะทําแบบเงียบไม่มีเสียงแล้วก็ถึกขึ้นองเห็นเห็นชัดมากเจ้าค่ะวายซานเพราะว่าอย่ปกติเวลาแค่ช้อนกระทบกันหรือว่าช้อนกระทบกับถ้วยถ้วยอย่างจะมีเสียงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอมามาเรา ตัใจดูจริงๆเนี่ยแทบจะวางอะไรระวังมากไม่แทบจะมีเสียงน้อยอจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงที่แบบสติดีๆอย่างนี้เจค่ะแต่ไม่ต้องทำํำแบบเชื่องช้าทําแบบเบจ้าค่ะเดี๋ยว ต, ต้องปรับปรุงไปเจ้าค่ะก็ ม, มาแางงานผลจ้าค่ะอพาพอาจารย์เจ้ะค่ะแล้วก็อ่ารูปเนี่ยดูดูคลิปการผ่าศพได้นะจ้ะค่ะก็คือว่าไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะที่ตรงฟลงเวลาเราดูเจ้าค่ะ ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจหรือไม่ได้อะไรพอดูผ่าสุพเสร็จปุ๊บเรายังมาทานข้าวได้เลยนี่เจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเก็บอยู่ไรื่อยๆมันเก็บอยู่เรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจเราจ้าค่ะมีแคปภาพไว้เจ้าค่ะไว้จ่าพอไปทีก็ไปเปิดตูอะไรอย่างนี้จ้าค่ะอืมอหมันให้มันไปเห็นแคปไว้ในใจดีกว่าอย่าไปแคปไว้ในเครื่องนะเครื่องหายไม่ได้เจ้าไว้จ่ายังไม่ยันใจแล้วไม่มีวันหา นะคะมันก็ยังมีติดนะจะค่ะพีาจ้าไม่ต้องไปเปิดดูมันก็จะมีภาพนั้นอยู่ในนึกภาพนั้นขึ้นมาได้อย่ค่ะพยายามให้มันอยู่เรื่อยๆให้มันชัดชัดชัดเราคิดบ่อยๆนะคะเหมือนอาการสามสิบสองเนี่ยแต่จะมีบางบางอาการที่ยังจําไม่ค่อยได้จ้ะค่ะพี่จ้าเหมือนเหมือนม้ามอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะม้ามอย่างยังนึกไม่ค่อยออกก็ตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจําหมดอ่ะพอให้มันได้ส่วนุกยังไงก็ เพราะเห็นความน่าเบียดของร่างกายของอจะได้ไม่หลงรักใครตต่อไปอ๋อค่ะคือดูรวมๆเลยใช่ไหมจ๊ะคะอาจารย์ดูคือพูดง่ายๆคือดูเคลื่อนในรวมๆดูเครื่องในผ่าออกมาแล้วเห็นไส้แล้วแบบว่าเห็นไส้ปอดตับไตอะไรอันนี้ก็อเห็นโครงกระดูกโครงกระดูกอาจจะต้องนึกหน่อยเพราะมันถูกหนังกันแล้วหูไหมเ้ค่ะเวลาเดินไปเที่ยวศูนย์การค้าหรือชปป้เนี่ยดูโครงกระดูกของคนเนี่ได้ไม่หมดเลยใช่เนะย ในศูนย์ศูนย์การค้าเนี่นยเราจดูความกระดูกวมันเต็มไปหมดเลยยิ่งพาไปริมทะเลอะไรเงี้ยจะไปจ่าย์แต่ลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกดูมากเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ยอมรับว่าตั้งแต่เข้าซูมเจ้าค่ะอาจารย์ได้ค่อยออกจากบ้านเจ้าค่ะออกจากบ้าน mm hmm. น้อยนอกจากว่าไปซื้อของจะไปวัดไปทำบุญมาลูกขึ้นทั mm ้ง hmm. วันนี้ก็ไปซื้อของหรือไม่ก็จําจเป็นต้องไปซื้อจริงะ mm hmm. อะไรคลิปอะไรในยูทูบก็ไม่ได้เข้าไปดูคลิปสัตว์เลยแลยนะ้วเจ้าค่ะอาจารย์แคบเข้าไปฟังธรรมะอ่านธรรมะอย่างนี้จ้ะ ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยจ้าคนะ่ะ<ด>เหมือช่วงสงการก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนจาา้าค่ะอาจารย์ช่วงสงการอยู่บ้านเป็นสิบกว่าวันเลยนะจนะ้ะค่ะเหมือนเหมือนอยู่บ้า น, นา ไ, ได้เล<อ>ยเพราะว่าบางทีแฟนเขาจะรู้ว่าลูกชอบอยู่เงียบ ๆ, ๆเขาก็จะอยู่ทํางานอยู่ข้างนอกลูกไปอยู่ในห้อง<ม>อย่างนี้จ้าค่ะบางทีแต่บางทีถ้ามีงานลูกก็ทำงานของลูกไปอะไรอย่างนี้จ้าดูแฟนก็ดูเขาก็ดูเขาบ้างนะเพรายามอยู่จ้าค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ดูของก็ดูของเราด้วย ไม่ไช่ดะไม่ใ ช, ด, ะะใชดูแต่ของบนอื่นพองเราก็ต้องดูด้วยนะคะเพระอาจารย์แต่เวลาผ่าศพเนี่ยเวลาเห็นเขาเขาผ่าตรงตรงนี้ค่ะแล้วเขาถลกเอาหนังหน้าขับมลเข้าไปปิดหน้าของศพอะค่ะเพื่อที่ว่าจะผ่าเอาอ่าเยื่อในสมองออกมานะคะเห็นชัดเลยว่าสมมุติเนี่ยมันหายไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าเกิดถลกหนังหน้าออกมาปุ๊บเนี่ยหน้าของอย่างสมมุติว่าโออย่างงี้จ้ะค่ะ มันจะหายกันทันทีมันมันพอมันไม่มีหนังนี่มันดูไม่ออกว่าเป็นใครนะเจ้าคะพระอาจารย์หน้ากากพวกเราพวืเราใส่หน้ากากกันใช่เจ้าคะเจ้าคะเห็นเห็นชัดเลยเจ้าคะพระอาจารย์อย่างถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาไปดูศพที่ผ่าแล้วเขาจะจําไม่ได้ทันทีนะคะว่าศพนี้เป็นของใครอะไรเงีค่ะเพราะไม่มีหนังมาปิดหน้านะเจ้าค่ะนี่ค่เราเห็นแค่ว่าเขาผายอย่างนี้แล้วก็เอาเขาถลกเอามาแบบแค่ปิดหน้าอย่างเนี้นเจ้าคะพระอาจารย์ เห็นเห็นกระโหลกเชื่อมหายเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันใช่เจ้าค่ะเป็นแบบว่ากระดูกตะโหลกแล้วก็มีเทื่อยในสองศีรษะอะไรนี้เจ้าค่ะก็อันนี้ว่าอะไรไงผลนเดอรนี้เจ้าค่ะอาจารย์ดูแล้ต่อไปก็จะเจริญก้าวหน้ามาใช่คือจ้ค่ะแต่ดูภาพศพก็ดูได้เจ้ค่ะพระอาจารย์ก็เข้าไปดูภาพศพที่เป็นอุบัติเหตุบ้างแล้วก็ภาพศพที่ขึ้นอื่น ที่บอกว่ามีขึ้นเขียวเขียวแล้วก็มีท่าน้ําที่มันไหลออกมาเจ้าค่ะพระอาจารย์อืที่เขาจะลงสู่ท่านเด้งของเราต้องวิวัฒนากามาใช้นะอันนี้มันเป็นแต่เครื่องมือเอามาใช้ทําอะไรรู้ไหมเอามาใช้กำจัดการมาลาคานะเวลาเกดการมาลาคาก็ต้องเอานี่มากําจัดมันไม่ใช่ดูเฉยๆพอถึงการมาลาคาก็ทําเป็นเลยไปนะจ้าค่ะแต่การมาลาคานี่ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเจ้าค่ะ อาจารยว่าก็ลองดูเลยถ้าไม่อะไรก็อาจจะนอนนิ่งอยู่ะเป็นทากศพเลยทาตัวเป็นซากศพไปเลยนี่อะไรคะคืออยู่แบบพี่แบบน้องกันเจ้าค่ะอาจารย์อยาบชอบอยู่แบบเงียบๆอะไร่างเงี้ยจ้าค่ะอยู่แบบพี่แบบน้องทะลาะก่อนเราบอกบอกใครไว้ว่าอาสุปรามันเป็นเพีเครื่องมือการดูแลไม่ใช้มันมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันมีไว้เพื่ออะไร ดับการมารดทานเอามาพิจารณาลงสู่ธาตุก็ได้เหมือนกันตัวตนมันก็มาดับตัวอนัตตอัตตาตัวตนด้วยร่างกายไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นแค่การสานิสสองอะไรก็จะนําไปปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์หาสติเจ้าค่ะชัมนี้พยายามจะหาสติเจ้าค่ะไม่ได้สติให้ได้สมาธิสติปัญญานี่เป็นเพียงเครื่องมือนะ ได้แล้วมันะต้องเอามาใช้กาจัดอิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจขอบคุเพราะขึ้นไปอย่างสูงจ้ะค่ะสาธุจ้ะคผณพ่อมีคนกระถางมาพวกหมอเขาก็าดูทราบแต่ทำไมเขายังมีแฟนกันอยู่เพราะเขาไม่เอามาใช้มันไงเขาเกิดกากมาราคะเขาไม่เขาไม่เคยนึกถึงกับสุภาพเลยเขาคิดถึงแต่แฟนของเขาอย่างเนียวพล้วเขาไม่ใช่ ของลูกนี่ติดเต้นที่ว่าทิ้งเข้าไปไม่ได้เจ้าค่ะภายจารย์เดี๋ยวก็จะสงสารก็ไม่ได้ทิ้งไงไม่ได้ทิ้งไงไม่ไให้ไม่ให้มีการมาหลาค้าในใจเราเนั้นเองจช่ค่ะเขาอยากจะบอกเราก็ร้วก็นนอนเป็นสร้างศพไปก็รับไปให้เขาทำตามที่เขาอยากจะทำภาจารย์ด้วยที่แบบนรกจิงจริงภายจารย์ก็บอกไม่ไม่ดีๆอะไร่เราก็ไม่ต้องไปตอบอะไรก็แล้วกันเขาอยากจะทอะไรก็ปล่อยเขาทําปน่างกายเขาไม่ของเรา จะนำนำไปปฏิบัติแต่เราเราอย่าไปเราอย่าไปมีราคากับเขาเมื่อไรกันได้ไหมโอเคค่ะถ่ายเจ้าค่ะบขอบคุณเจ้าค่ะถือเจ้าค่ะคุณจันนี่แบงค์เขาดีขับถามไปจันนี่แต่งในมรสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูไปเอ่อไปข้างนอกมาค่ะแล้วก็ เวลาออกไปข้างนอกก็บางทีสติก็หลุดไปพอมองเห็นคนน้นคนนี้ก็คิดว่าเขาหน้าตาดีดีหล่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดนึกขึ้นมาได้แล้วก็พยายามมองเขาเป็นโครงกระดูกค่ะก็เอความคิดก่อนหน้านี้ที่มีก็คือแบบที่คิดว่าเขาหน้าตาดีอะไรเงี้ยมันก็ดับไปได้ค่ะพระอาจารย์ต้องให้มันเร็วขึ้นไวขึ้น <c oughs> อันนี้ยังยังไล่ตามพิเลย์อยู่ ต่อไปต้องแสงหน้ากิเลสต้องเห็นโครงกระดูกก่อนเลยต้องต้องรู้สึกว่าต้องฝึกสติอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ของผมกระหลาดศีรษะแต่รู้ค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูหนูหนูมองเห็นโครงกระดูกได้ค่อนข้างชัดกว่ามองอวัยวะภายในค่ะไม่รู้ว่าเป็นคิดว่าเป็นเพราะว่าตอนเด็กเด็กเคยดู หลังจากจากวงๆจะมีตัวที่เรียกว่าน้าผีอ่ะค่ะมันจะเป็นผีที่เป็นโครงกระดูกค่ะมันก็เลยเหมือนติดตาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบรเปลี่ยนกรรมฐานค่ะารราคาอ า, าจารย์เราถ้าเราจะพิจารณากรรมฐานด้วยเออโครงกระดูกนี้เราควรจะนึกถึงโครงกระดูกทั้งตัวหรือว่าเป็นชิ้นใดชิ้น ค่ะแล้วแต่เราอันนี้มันทําให้เราละการมาราคาได้แล้วก็เอาแบบนั้นรับตัวตนได้ร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนในแท่งโครงกระดูกกระดูกก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใช่ไหมค่ะแต่ว่ามองโครงกระดูกของตัวเองกับคนอื่นอื่นที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดค่ะหนูหนูมองได้ง่ายแต่ว่าพอมามองคนใกล้ชิดเช่นเช่นมองคุณแม่เป็นโครงกระดูกมันยังรู้สึก เหมือนมีอะไรขัดขัดขวางขวางอยู่อะค่ะมันไม่กล้า ม, ามันเป็นของอะไรค่ะเราไม่กล้ามองกลัวจะไม่เขาลบไม่เว้นได้นี่เราศึกษาไม่ได้ไม่ได้ขาดความเขารลบไปอย่างใดเราต้องการมองความจริงของทุกคนบาน ท, ทีเราเกรงใจไม่อยากไม่กล้าที่จะไปล า, าบลำลุงเนื่ยของพ่อของแม่อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องล า, าบลาบลำลุกมันเรื่องของการศึกษาเป็นการเรื่องอย่างวิปัสส น, นา ค่ะพระอาจารย์อาจจะฝึกปฏิบัติต่อไปค่ะขอบคุณอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่มั้ยูนากเกลเห็นนีเ่เขียนนาเกลอยู่ธรมสการ์ค่ะ อ, อ๋อ น, นาคบัวนาคบัวนาคบั ว, บวค่ะเรียกพระอาจารย์เรียกคุณนุ้เฉยๆก็ได้ค่ะค่น้อยเหมือนถ้าวิชาอาหาี้เข้ามาแล้ ว, <ะ> ว, วเปล่ามันอะไรนะคะ คุณทวิสานรู้จักคุณทวีสานใช่ไเห็นเห็นอยู่ค่ะเห็นพี่ปุ้มอยู่แถวแถวไหนใช่มอ้อายอาจจะอยู่ครับล้างมั้มีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะชาอาจารย์พูดถูกคือถ้าอยากได้คําตอบต้องปฏิบัติอย่างเดียวอเด้อโอเคแล้วบางทีบางทีก็นั่นแหละบางทีก็ยอมรับตรงๆก็ยังติดอยู่ในโลกโลกอยู่ว่าบางทีแบบทั้งงานทั้งอะไรก็ แล้วความขี้เกียจของเราก็เยอะด้วยก็เลยไหลาตามกิเลสไปค่ะหลงไปกับโลกทางโลกไปค่ะแต่พยายามปฏิบัติพยายามสู้กับมันแล้วเอาชนะมันให้ได้นะมัน<ด>เป็นเ<ด>จ้านายเร า, า, า, ามามรารู้กี่ภพกี่ชาตินะวันนี้เราจะนั่งขอสู้กับมันนักทีให้มันรูแล้วแล้รอดเลยนะจตุรัะะาสาการค่ะขอบพระคุณค่ะมาชาร์จกําลังโอเคอันนี้คนอะไร เปลี่ยนชื่อเลยพอดีจําหน้าได้กล <g all ion> ่าวหลวงพ่อพอดีวันนี้หนูลองเข้าอีกแบบนึ่อนะค่ะหลวงพ่อแล้ว<ช>ไม่ได้เปลี<ช>่ยนค่ะหลวงพ่อเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเข้าเร็วกว่าแบบแบบที่หนูเคยเข้าอะไรยั <g all ion> ไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะกล่าวหลวงพ่อนี่ก็ปฏิปฏปฏบัติอยู่ทุก ว, วันค่ะหลวงพ่อแล้วก็เสาเสาทิจันหนูก็ไปอยู่วัดมาค่ะ เอาแม่ไปด้วยค่ะแล้วก็ลองเอาลูกชายไปนอนวัดด้วยค่ะหลวงพ่อก็แปลกใจลูกสวนได้นะคะหลวงพ่ อ, อบทบทที่แบบว่าอย่างคนทั่วไปอ่ะก็ไม่ได้สวดกันนะคะอย่างบทสัมพุทเทงนหนูก็ยังสวดไม่เป็นเนี้ยแต่ว่าพอพระ หรือว่าคนที่ไปปฏิบัติเขาเริ่มสวดเขาก็ได้ได้ทุกคนก็หันมามองทั้งที่เขาก็อ่านอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาสวดได้ค่ะก็ดกกีก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเป็นแบบเหมือนอ ม, มีสัญญาณที่ดีก็จะพยายามพามเขาไปค่ะมันจะดึงสติเขากลับมาได้มากขึ้นค่ะหแกแล้วก็เรื่องการปฏิบัติของหนูก็สมาธิดีมากมากเลยค่ะหล้วก็ยิ่ง ไปย้ำยิ่งไปซ้อมยิ่งไปฝึกมันมันยิ่งดีมากๆมากแล้วเวลาเราเข้าไปถึงตรงนั้นค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนไม้ที่ปักตรงไม่โยกไม่ขยับแล้วก็สงบนิ่งมันมีสติแบบดีดีเหมือนก้อนหินเลยใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็จะเข้าตอนไหนก็ได้ค่ะหลวงพ่อจะเข้ามีเวลาสั้นสั้น แล้วเข้าประมาณว่าเราเข้าได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็สงบแล้วมันก็ดีมีความสุขแล้วพอเข้าไปสักระยะหนึ่งหนูก็จะถอยออกมาพิจารณาทางปัญญาคืพยายามจะฝึกทางด้านปัญญาให้ดูดูในกายของเราเนี้ยค่ะเราก็ดูจนมันกระทั่งมันเบื่อหรือว่ามันไม่ไหวก็จะกลับเข้าไปนั่งสมาธิหมายถึงว่ากลับเข้าไปในสมาธิอย่างนี้ค่ะอ่าต้องสลับกันไประหว่างปัญญากับสมาธินค่ะ มันมันมีความแตกต่างเพิ่มกว่าเดิมมาค่ะหวงพอมันหนูอธิบายแบบมันอยากจะปฏิบัติมันอยากจะทำอยากจะปฏิบัติทีนี้หนูจะเข้าคั้นปัญญาแล้วมันจะสนุกมันจะเริ่มเริ่มกำจัดกิเลสได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเออช่วงจังหวะที่เรา เข้าไปเอ่อเข้าสมาธิได้บ่อยขึ้นหมายหมายถึงว่าเข้าตอนไหนก็ได้หรือว่าจะออกตอนไหนก็ได้อย่างเนี้ยฟังหลวงพ่อมันมันไม่ได้แปลว่าเราไปติดสมาธิติดสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เรามันเป็นกินข้าวไงจิตก็นั่งกินร่างกายต้องพักกินข้าจิตก็น้่งพักในสมาธินั่งพอนับนอนถ้าเราทําสมาธิอย่างเดียวไม่ไปทางปัญญาเลยตรงนี้เรียกว่าติดสมาธิก็คือว่าถ้าเรามีการ นั่งสมาธิเสร็จแล้วเรามาพิจารณาแล้วก็สลับกันอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ติดใช่ไหมคะแล้ว่อหนูจะพยายามทําให้ให้ที่หลวงพ่อสอนพี่ๆเมื่อตะเกียเนี่ยค่ะว่าเออจะเอาให้มันจบเลยไหมอะไรไหมก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าเราจะอยากให้มันจบแต่ว่าก็มีมีความที่ที่ เรามีความตั้งที่เราจะเดินไปตรงนั้นนะคระว่าจะทําให้มันเต็มที่มันวิธีการเดินไปมันแักเวราเดินไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็ถึงไงอย่าหยุดเดินก็แล้วกันค่ะโอก็อย่าหยุดปฏิบัตินะได้การเจ็บไข้ได้ปวดแล้วก็ปฏิบัติได้โดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วดมันได้ปฏิบัติบ้านได้เห็นเขาชินเห็นอริยสัจเห็นสันสจธรรม มันมันเดินมาถึงตรงเนี้ยมันไม่มีความที่จะจะจะคิดว่าเราจะเละ<ม>ิกปฏิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแต่ว่าเหมือนใจมันจ้องอยู่ว่าจะมีวิเสี้ยเวลาตรงไหนที่เราอ๋อจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามเข้าไปตรงนั้นทําไปเดี๋ยวันได้เจอของจริ ง, งได้เจอข้อสําตันนี้ยังทําการบ้านอยู่เตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนอ่าก็ แลจวเราจก็สาวเาจะรู้ผ่านหรือไม่ผ่านค่ะแล้วสังโยชน์สิบตัวที่มันล้ายากที่สุดเนี่ยหมายหมายถึงตัวตัวยาทุกตัวตัวมันเหมือนกันนะมันต้องไปเป็นขั้นขั้นไปตัวแรกก็คือสกายยัติปิเนี่ยตัวที่เห็นว่าร่างกายการห้าเนี่เป็นตัวเราของเราเนี่ยก็คือยากไปตาม ตัวที่สองก็การมราคะตัวที่สามก็วิชาแค่นมันมีสามตัวใหญ่ๆที่เป็นมันมาเป็นพวงมันตันั้นเอาจา ก, กายทิฏฐิให้ได้ปล่อยร่างกายให้ได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บมันจะเป็นจะตายกับเรื่องของมันไม่ใช่เรา พูดถึงหนูหนึกขึ้นมาได้ช่วงที่ไปอยู่วัดนะคะหลวงพ่อไปไปนั่งบนเขาที่มันขึ้นไปยากๆแบบอยู่ในป่าเลยค่ะหนูหนูลองไปมาแล้วก็ตอนกลงคืนนะคะหลวงพ่อก็ออสมาธิก็ยังดีอยู่ค่ะหลวงพ่อสงบแล้วก็ไปพิจารณาตอนแรกอ่ะเออที่ที่เขาบอกว่าให้ไปขึ้นข้างบนน่ะ หนูก็ไม่เคยขึ้นไปแล้วทีเนี้ยอุปกรณ์อะไรก็ไม่มี <Rainbow. S 1> ก็มีมีกังวลนิดหน่อยคือว่าเอ๊ะแล้วมันจะมียุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่พอขึ้นไปอะค่ะหลวงพ่ออยู่ได้แบบสบายมากเลยค่ะสงบแล้วมันก็มันเป็นป่าบนภูเขาทางต้องขึ้นลําบากคือมันไม่มีไฟอะไรเลยค่ะก็ก็ไปค่ะหลวงพ่อก็อยู่ได้ค่ะก็กลับลงมาประมาณห้าทุ่มกว่าค่ะหลวงพ่อ ก็ดแต่มันก็ยังไม่ได้เจอเจอตัวไ<ช>ลๆ่ๆทีต้องมาเจอตัวที่มันจะมาทำลายชีวิตดรเขาหนูหนูหนก็มีความคิดว่าหนูอยากจะนั่งต่อแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกเขาก็ไล่ลงมาว่ามันมันดึกเกินไปบนบนป่าค่ะแล้ก็เขาเขาให้ลงมาแต่ทีเนี้ยก่อนขึ้นไปเขาบอกว่ามันมีงูตัวใหญ่อ่ะก็ เราก็นั่งของเราไปอะค่ะหลวงพอใจมันก็นึกถึงคําพูดที่บอกม น, นีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคิดอีกทีก็คือก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหนวงพก็นั่งเข้าสมาธิได้ปกติค่ะหลวงพ่อก็โอเคว่าฝึกพยายามเหมือนฝึกใจให้มันให้มันเหมือนไม่กลัวไม่กลัวตายอะไรให้ให้ให้มันมีความหนักแน่นมากๆขึ้นไปอะค่ะก็ทำไปแล้วมันต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา เราสามารถปลงได้ปล่อยได้นะความกลัวหายไปอันนั้นมันจะรู้ว่าปล่อยได้จริงค่ะแล้ววันนี้วันนี้ตอนเช้าหนูไปนั่งสมาธิที่บริษาทหนูเจอพี่หนึ่งที่เขาไปใส่บาตรหลวงพ่อค่ะพี่หนึ่งพอจําได้ปะคะที่เขาไปส่งหลวงพ่อที่รถนะคะแล้ว แล้วที่หุวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งนะให้ฝึกให้ปฏิบัติแล้วแล้วที่หนึ่งเขาไม่ค่อยคือเขาเว้นช่วงไปนานเงี้ยค่ะวันนี้ว we ันนี้เขาขึ้นมานั่งที่หนูขึ้นไปด้วยอะค่ะหลวงพ่อหนูเลยมากรับเรียนหลองพ่อโอเคค่ะวันนี้ก็รายงานการฆ่าห yeah, okay. yeah. ลวงพ่อขอบพระคุณหลอกพ่อมากมากค่ะสจธุสาธุค่ะอ่าคุณจรินทร์ทานไปยังไงไปแดงไหนนะ อาจารย์เจ้าค่ะเมืเ่อกี้ภาพมันคายมสบายดีค่ะพระอาจารย์ก mm ็ hmm. ว, วันนี้ก็เข้าม า, ากราบนมั ส, ส ก, การแล้วก็ขอกําลังใจเพราะช่วงนี้โยมงานเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วพองานเยอะเนี่ยมันเห็นคุณค่าของความของความมีสติมีสมาธิดีอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอเราทํางานแล้วมีสิ่งนู้นสิ่งนู้ามากระทบแล้วยอม เริ่มแบบว่าเอ๊ะทําไมคนนั้นเขาถึงไม่สามารถกําหนดจิตของเขาได้เริ่มไปว่าเออเขาวุ่นเหมือนกับเขาวุ่นวายก็เลยทําให้เราวุ่นวายอย่างนี้ไปด้วยค่ะเราก็แสดงว่าเราเร า, เ, ราเห็นคว <น S 2> <ร>ามกำหนดจิตเราไม่ได้เหมือนกันนะเราเราเห็นความวุ่นวายของเขาแล้วมันก็กลับมามองที่ความวุ่นวายตัวเองแล้วก็เริ่มเห็นค่าว่าวันี้ฉันทําอะไรอยู่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วพ้อมเข้ามาฟังอ่อมพระอาจารย์ รู้สึกได้ถึงความเมตตางพระอาจารย์นะคะว่าโอนี่เราเราต้องได้น้ําเย็นเพื่อที่จะกลับมามีสติ ข, ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ<ม>แต่ก็นอกนั้นโยมก็ยังแต่ก็ยังปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ยิ่งหลังๆนี่ทํางานตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาค<ม>่ะแต่กลางคืนก็ยังพยายามลู้ขึ้นมานั่งสมาธิอยู่อ่ะคะ่ะก็ก็พยายามยังไงก็ไม่ด<ม>ีนะคะที่มาฟั ง, งทรงเสกก็ดีมันได้ช่วยนอน ในความในคามที่ไหนอยากจากเพื่อนปฏิบัติด้วยกันจริงค่ะแล้วยมก็รู้สึกว่าเรารออะไรอยู่เราเหมือนเรารู้ว่าถ้ามีคําถามไปท่านพระอาจารย์ก็จะตอบอยังไงแล้วก็รู้แนวทางว่าจะต้องปฏิบัติยังไงแต่เวลามันไม่พอค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราทําไปเพื่ออะไรทําไปเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นทําไปก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มแต่ด้วยความ<น>รับผิดชอบเราตายไปก็อะไรไปไม่ได้เลยใช่ค่ะพระอาจารย์แําเหมือนกับ ด้วยความรับผิดชอบของเราเราต้องทําให้เสร็จอย่างเงี้ยค่ะอมันก็ไม่เสร็จสัทีเหมือนหลงอยู่หอะค่ะพระอาจารย์พอเขาบอกมันเสร็จต้องตามไปต้องกําหนดเวลาให้มันเสร็จไงมนจงนมันจะยืดเวลาไปเรื่อยใช่ค่ะพระอาจารย์มันทําจนทําจ น, จนดึกดึกเดินเดินแล้วพอเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็ยังฟุ้งอยู่ในหัวเราก็มานั่งสมาธิเราก็ไม่รู้ว่านั่งหลับไปกับสมาธิมันมันไม่ใช่สมาธิอะค่ะพระอาจารย์เราก็รู้สึกได้แล้ว คอาจารย์ต้องกลับมากำหนดสติใหม่แรกๆที่ยมทำก็คือทาสมมุติว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราก็มาเดินเดินด้วยนั่งด้วยทำวันเราสามสี่รอบทำให้มันให้ความรู้สึกฟุ้งมันจางลงจางลงจางลงมันก็ดีขึ้นในแรกอะคับอาจารย์รราารยมเวลาพักเวลาพักงา น, นมาปฏิบัติอีกบ้างนะ ค่ะคือโยมก็พอจะทราบว่าจะต้องทำยังไงว่าเวลามีเรื่องกุ้มใจหรือว่ามีเรื่องกระทบเนี่ยต้องเดินเดินเดินเยอะๆแล้วก็มานั่งทำหลายๆรอบหลายๆรอบแต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาล้มโยมลืมทำอาจารย์ <laughs> <laughs> เลยต้องมาเรียบเรียบทำเอาณที่สุดท้ายมันก็เลยทำให้โยมทำงานตลอดแบบเรื่อยๆเลยค่ะมันมันก็เลยเหนื่อยนิดนึง แล้วก็เห็นความฟุ้งของคนอื่นอย่างที่อ ย, ทอย่างที่กราบเรียนพระอาจารย์นะคะแต่อันนี้โยมส่งโปรเจกต์แล้วค่ะเดี๋ยวโยมจะกลับมาใหม่แล้ะคะ่ะไม่ไม่ถอดขอค่ะพระอาจารย์สู้ไหมคะกลับ <Okay. S 2> <laughs> ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่กําลังใจนะคะ yeah, พระอาจารย์ต่างของพระอาจารย์มากมากเลยค่ะ <Yeah. S 2> มันช่วยให้โยมมีสติ ก, กลับมามองย้อนกลับมาว่าเราหลงไปอีกแล้วอย่างเนี้ยคะ่ mm. พะพอาจารย์ <I do. S 2> แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทา้าแข็งแรงนะคะ <Okay. S 2> ขอพระอาจา <I do. S 2> รย์ สาษาทุกเจ้าค่ะนี่ถามเหรือเปล่าคนที่เข้ามาในห้องนี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะมีผู้ชายแค่คนสองคนแปลกผู้ชายไม่ชอบเลยนะธรรมานี่โอเคแล้วสำค<ต>เราค่ะขอบคุณพาาระอาจารย์ค่ะคุณทวิศาเชิญอยู่สวิสเซอรนด์อยตอนนี้ กลั บ, บนักสการค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, คะอวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาหลอกฟังค่ะควรจะบอกว่าต้องไปปฏิบัติเนาะแต่ <laughs> <laughs> ว่าจังจะพยายามค่ะทําทําทําทํําทางานกรรมาฐานต่อค่ะพระอาจารย์ทําไปเถิดเนือ<ห>น้อคําตอบคาตอบมันอยู่ที่การปฏิบัติทั้งนั้ น, าานค่ะ<ป> พ, พระอาจารย์ค่ะปฏิภา ผู้เจ้ากไม่ถามใครผู้เจ้าก็ปฏิบัติพระว่าออกมาไ้เรื่อยัน <um ี้ส um, ุวก็ได uh ้คำตอบทุกอย่างเองอนไ้อาลาสัตว์สตายร้าเลยนี่ไปถามใครก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เลยต้องหาคำตอบด้วยตัวเองปฏิบัติเองค่ะอาจารย์แต่แต่คำถามของญาติธรรมในซูมหรือว่าที่เล่าๆมาก็เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์ค่ะเราก็ศึกษาแนวทาง เรามีปัญหาเขาปัญหาด้านเนี้ันนี้ก็ก็คลีคลายได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะคือมีประโยชน์มากค่ะในการเขา้าสูงแต่ละคนก็ปฏิบัติอยู่กันคนละระดับนะบางคนก็สูงกับเราบางคนก็ต่ำก่าเราบางคนก็เท่าเราค่ะอันไหนที่สูงกว่าเราก็อาจจะไม่ถึงก็เลยไม่เข้าใจอันไหนที่ที่อยู่ที่อ ย, อยู่ที่อยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเข้าใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะ ค่ะเราฟังว่าทำปฏิบัติปฏิบัติท่านวุฒิเจ้าบอกการสุนทรธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยได้ประโยชน์ค่ะฟังอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะไหที่คุณตายต่อคตายนาเกล้าพัทยาเป็นยังไงต้องจับนม่มาสการค่ะพระอาจารย์ก็ ก็ยังไม่มีสัจจ์กับตัเองเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้หลุดยังล้มแล้วอยู่ไหยหลุดเรื่องกินนี่เลยค่ะพระอาจารย์น่าจมนะว่าจะว่าจะว่าจะยินต้องแก้ด้วยการพิจารณาปฏิกูลอาหารปฏิกูนอ๋อค่ะไม่ค่อยนึกถึงเลยพระอาจารย์มันก็เป็นกับปัญหาเดียวกันนเนี่ะ พอบอกว่าจะเริ่มพอเริ่มเริ่มได้วันเดียวอีกวันก็หลุดอีกแล้วแต่วก็เริ่มใหม่อีกวันก็หลุดอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้นุ่มๆตอนตอนแต่ส่วนอื่นๆก็ก็มีนั่งสมาธิบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่มากนักก็ก็ยังก็ยังให้ให้ให้ขนานตัวเองก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ล้าไปไม่ล้าหลังไปเราะฉะนั้นไม่ถอยเยอะค่ะเห็นว่าชูรังก็ไม่ดื่มแล้ใช่ไหม ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ว่าโยมก็อยากจะให้เขามาอยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่เขา่ถอยห่างออกกันโยมเองโยมมองไปครั้งนี้ยิ่งยิ่งหายไปใหญ่เลยจากเมื่อก่อนเคยนั่งกัางคืนกันสักประมาณห้าท่มเย็นเคลียร์ถึงจะกลับบ้านตอนเนี้สองทุ่มสามนู่นเขก็หนีโยมกลับบ้านได้หมดแล้วค่ะพอาจารย์มันมันเริ่มแยกออกจากกันนั้นน้ํากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ไม่ไม่รู้กันไม่รู้ว่าเพื่อนโยมเหมือนจะเบื่อโยมแต่ว่าโยามไม่คุยเรื่องธรรมะนะคะพระอาจารย์โยมก็บอกว่าเออเราก็เหมือนปกติไม่มีอะไรยังไม่บวชอะไรอย่างเงี like 謝謝 so ้ยพระอาจารย์ก็พยายามทาตัวปกติเพียงแต่ว so ่าโยมไม่ดื่มแค่นั้นเองแต่เพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็ถอยกันไปเองโยมก็ยังมีอะไรที่แปลกประหลาดแต่โยมอ่ะไม่ได้ทําอะไรแปลกประหลาดเลยนะพระอาจารย์ก็อยากจะดื่มเหมือนเราเราไม่ดื่มเพราะมันก็แปลก พอแลเนาะค่ะไม่เป็เสียเพิ่มไปเมื่อไหรอย่าเสียตัวดีกว่าเนาะตัวะราหายใจเราดีกว่าค่ะพระอาจารย์แต่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่แล้วค่ะเพราะว่าญาติของอญาติทางแฟนะคะเขาเขาเสียก็เลยต้องไปอีกรอบตอนแรกว่าจะไม่ไปขึ้นในใจเพิ่งกลับมานี่เองก็จะไปอีกล่ะอะไรเงี้ยแต่ขึ้นไปขึ้นมา ในขนาดถ้าที่ท่านยังไม่ได้เป็นญาติกับเราเรายังบินไปหาไปไปไปกราบท่านท่านี้ญาติกันก็ก็ควรจะไปก็สมควรจะไปยมคิดว่าก็เลยว่าไปก็ได้ไปไปนสบัสดีไปได้ไปพิจารณาความตายด้วยใช่ค่ะก็ใกล้กันหมดละยมก็ยมก็พิจารณาตัวเองเหมือนกันนะพระอาจารย์บางทีก็ยังคิดว่าไม่รู้จะหาอะไรไปเยอะๆหาไป บ้านกี่หลังกี่หลังก็ไม่ได้ไอยู่คุณแช่ก็ไม่มีกระสั ก, กระดอกจะเข้าบ้านไหนก็เข้าไม่ได้แต่มีหลายหลังมากอะไรเงี้ยขึ้นในใจอตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่รู้จะมาทําไมก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่ไม่รู้จะทำยังไงตอ่อสวัสดีถ้าไปรเราไปพิจารณาความตายย้อนกลับมาที่ตัวเราเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเหมือนกันเจ้าค่ะพรอาจารย์อันนี้อันนี้ล้ำลึกไว้ตลอดเลย จะพยายามไม่กลัวตายแล้วก็พยายามพยายามทำดีสินห้านี่จะไม่ให้หลุดเลยค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าสินแปดวันไหนถ้ามันอย่างอย่างคราวที่แล้วนี่ยํารับคำว่ามันหลุดไปนิดหนึ่งเหลือสินเจ็ดก็เลยว่าแต่ว่าไม่สินห้านี่ก็ยังครบอยู่ตลอดค่ะอาจารย์ค่อยค่อยปฏิบัติไปต่อไปมันก็ได้ทั้งทั้งแปดก็นะ แล้วค่ะพ่อสามกลับขอบพระคุณค่ะหมายเเป็นพัทธาพรเชิญพัทธาพรวันนี้กลับมาเมืองไทยหลายปีแล้วไงหลายปียแล้วไงกลับมาสกายเจ้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อมันอุเบกขามันเหมือนแบบได้ฟังธรรมะหลวงพ่อทุกวันแล้วเหมือนได้พบหลวงพ่อทุกวันแล้วเหมือนตัวเองได้อยู่วัดทุกวันนะเจ้าค่ะ ม, มันก็เลยมีความรูม้สึกว่าอุเบกขาแบบกัแบบ ก็ได้ไม่กลับก็ได้แล้วแบบนึกเออเดี๋ยวจะกลับก็มองเห็นภาพความวุ่นวายรถติดอะไรอย่างเงี้ยเจ้ค่ะแต่ก็เดเรีโอจะกลับอาทิตย์หน้าไปกลับตาเช้ค่ะอนนี้อยู่ยยาาอันเกณฑ์ไหอ่ะ น, นั้นเหรอการทางรทาปิดทางใช่ไหมปิดเติเมอ่ะเหือกี่ปีปีเดียวมีเดียวจบครับ เรียนสามปีอนี่กิงดเรียนสามปีครับแป๊บเดียวครับเดิตยเดี๋ยวกลับเมืองไทยเดี๋ยวกลับเมืองไทยหนึ่งอาทิตย์ครับพอดีมีงานปักผ่อนงานไปเอเคดยโอกาสก็ววามาลองครับเราจะไปครับครับโอเคทักทายหลวงพ่แต่ลูกก็ก็ดีโอเขากลับไปหนึ่งอาทิตย์เา ตอนแ้นเขาบอกลงเที่ยงจะไปกาบลงตาเลยแล้วก็เขาบอกอกลับมาไม่ทันแน่เลยมีพอเข้าไปพรุ่งนี้แล้วก็ตอนแกกะให้น้องสาวรับสนามบินแล้วก็ไปพัทยาเลยแล้วเช้าไปกาบลงตาแล้วเขาเขาก็มาดูแผนอีกทีว่าเพราะมีประชุมเสด็จมองเช้ามันน่าจะกลับมาไม่ทันเดี๋ยวรอวันเสร็จงานแล้วตอนกลับไม ป, ไปมาก็ได้ไม่ามาก็ได้เพราะเหมือนกั น, นตอนนี้ก็ได้กาบแล้วกาบในสูงก็ได้ ได้ยดีกว่าจ้าค่ะแต่เขาเขาเขาจะไปนะคะแล้ว ก, ก็ก็ยังมันเฉยเฉยอะจ้าค่ะหลวงพ่อมันวางมันมันไมนไม่เป็ไปไหนได้ดีที่สุดนะไม่ <c oughs> ไมยากไปไหนไม่ไม่ยุ่งไปอะไรก็ <c oughs> ใครเลยหลวงพ่อสา <c oughs> มีก็ <c oughs> <c oughs> อยู่คนละชั้นอยู่คนละชั้นเลย ถ้าเขาไม่มเขาไม่ถึงตัวก็โอเคถ้าเขามาถ้าเขาไม่ถึงแล้วก็โอเคเขาไม่กดแน้ก็โอเคเขาก็คงเริ่มแล้วชินแล้วะ ค, ะค่ะเขาก็ชินแล้วลคะ่ะก็สิลแปดก็ก็ยังสินเจ็ดสินแปดอยู่เจา้าค่ะหลวงพ่อยังอาหารบางทีบางทีเหมือนต้องทําหน้าที่เจา้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะแต่ว่าลูก start อาหารเช้าตอนเที่ยงอะค่ะ mm. เพราะว่าตอนเช้าตื่นมาก็จะฟังธรรมหลวงพ่อแบบเวลาก็เสร็จแล้วก็จะเริ่มทานอาหารมื้อแรกก็จะเป็นตอนเที่ยงวันของทีเนี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ mm. แล้วก็มีบางทีเป็นวันพระหรือวันเนี้ยบางทีแบบก็บางทีก็ต้องดูดูดูคน ด, ด, ดูเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอื่นแบบเราเรา ความปีกวิเวกอย่างเดียวอย่างเงี้ยจ้ะก็จะมองบางทีก็เอาเรียวเอาตักมันหนึ่งก็ได้ลูเสือไม่ให้ไม่ให้ไม่อยากให้เขาไปพูดอะไรแล้วเราจะไม่เสียมารยาไม่เสียมารยาทําหน้าที่ของเราไปถ้าตัมได้เราไม่ได้ทำด้วยความยินดีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตามมันมันมันรู้ค่ะมันรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าจิตเรามันมันไม่ไม่เอาอย่างเงี้ยจ้าหลวงพ่อรับอย่างหนึ่งก็คือ คือไม่ไม่มันมันเหมือนมันวางมันวางทุกอย่างแล้วไม่อยากจะทาโลชั่นไม่อยากจะอะไรเลยมันรู้สึกบอกเพื่อนว่าโออยากจะถอดหัวถอดเล็บถอดฟันถอดหนังเนื้อก็ดูแบบอยากจะถอดไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันแล้วก็มันไม่อยากจะทาโลชั่นคือไม่ทาแบบตั้งที่มีเต็มบ้านสามีฉไม่เอาเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ ไม่เลยไม่แต่ยาอะไรเงี้ยเดี๋ยจเดี๋เลียวอยู่ไม่อยากเพาไม่ใหญ่ก็ต้อ ง, องระวังอันี้มากเกินไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนบ้าได้อยู่เขาก็ต้องอยู่กับโลกบางทีก็ต้องปรับให้เข้ากับโลกด้วยถ้าเราอยู่คนเดียวก็ประหยัดแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นเขาบางทีเราก็ต้องเลี้วตาตามอยู่เมืองเลียวต้องเลียวตาตามบ้างอย่างกลายเป็นคนบ้าไปแต่จิตมันไม่เอา ว่าเจ้าค่ะมีอ่ะที่ที่แล้วคนสวนเขาหยุดแล้วลูกก็ไปรดน้ําต้นไม้หน่อยแล้วพอรู้สึกแดดมากระทบที่หน้าที่หลังเรารู้สึกแสบติกขึ้นมาแล้วเราก็<ม>อ๋อเดี๋ยวเดินเข้ามาทาคิงกันแดดหน่อยแล้วก็สติมันก็ขึ้นมาว่าจะทาทำไมาถึงทามันก็ตายไม่ทาก็ตายก็ก็เลยไม่เข้ามาทาเจ้าค่ะหลวงพอ่อ<ม>ก็จกักดีก็ต้องระวังหน่อยเราะมันจะสุดโตงไปนะ ททีต้องเล่นกับไม้อยู่ทางสายกลางจังคะหลวงพ่อจังคะจังคะโอบคไปที่คุณครบก็ฟีคเอ่าเป็นยังไงอ้เช้าได้กี่วันกับรัชการครับก็วันอดได้แล้ววันเดียบ ว, วันอาทิตย์เช้าก็ถือสินแปดครับ แล้วก็พิจารณาหารนี้ก็คือท่าอาจารย์ให้หลักว่าเราพิจารณาหารได้แต่ว่าผลของการพิจารณาหารนี่คือว่านแล้วเราต้องไม่อยากอาหารใช่ไหมครับก็กินด้วยความจําเป็นกินเหมือนกินยาเนี่ยอย่าไปกินด้วยความอยากก็ในความยินดีอ่าเสียงเงียบไปครับสัญญาณไม่ดีลเลยรับประทานมากเกิน สัญญาณกลับไปก็ดีเลยอาพูดอได้ไหมครับได้ไหมครับม ja ันมาบ้างหายไปบ้างสัญญาณขึ้นนั่นอยู่ครับก็มีสถิในการพิจารณามากขึ้นครับก็ได้ได้ถือศีลมากก็คือเริ่มเริ่มมาถือศีลแล้วก็นอนพื้นครับเริ่มพยายามนอนพื้นครับแล้วก็เมื่อคืนฝันถึงพระอาจารย์ครับ ได้ฝันอะไรก็ได้แค่รูหมั้งครับไม<ป S>่ใช่ครับอาจารย์ฝันว่าได้ใส่บาตรพระอาจารย์ครับอืแล้วพรุ่งนี้เหมือนเป็นวันพระพอดีพอดีเพื่อนผมพี่ต้นนะครับเขาก็ฝันจะไปใส่บาตรพระอาจารย์ก็เลยฝากพี่ต้นไปใส่บาตรก็เลยความฝันก็เลยเป็นจริงครับก็ได้ดครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนี่ผมก็บงัง คือก็ต้องแบ่งเวลาจัดทํางานเนี้ยครับผมว่าจะหาลูกน้องมาคือช่วยแบ่งเบาภาระสักหน่อยเพราะว่างานมันเยอะมากครับคือเราจะได้ไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับมันเดี๋ยวก็อาจจะหาห า, หาเรื่องเข้าตัวเลยมีคนมันเกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาได้นะมันมีครับมันมีอยู่แล้วครับอาจารย์แต่ว่าเหมือนเราก็ต้องมีไม่งั้นเราก็ แล้วงานเยอะเหมือนเดิมงานเยอะเกินไปเลยซื้อรถงานไม่ดีกว่ารถงานลงไปไม่ดีกว่าคือยิ่งทําลูกค้ายิ่งยิ่งยิ่งมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าใหม่ด้วยอะครับมันไม่ลดเลยแล้วก็มันก็ต้องบอกว่าช้าหน่อยนะทํำได้บอกช้าหน่อยทําคนเดียวไม่เป็นเป็นเดือนครับอาจารย์บางคนรอเป็นเดือนก็รอได้กขารอไปเขาม่รอไม่ได้เขาปล่อยเขาไป พยายาไปโล่งกันแล้วกันนี่ก็ไปเอา ค, คนมาทํางานเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วประกันได้อืมเชยมีครับเอาเด็กมามก็มีปัญหาครับว่าทําไม่เหมือนเราทำเรตเาตายก็ไม่เหมือนเรารขอบคุณครับนี่ก็ก็เหนื่อยเพื่อนปกติดียวกันก็เลี้ยงลูกก็มีสังสรรค์กินเหล้าอะไรเนี้ยเหมืนเมื่อกี้บอกพี่ตายจริงๆเพื่อนผมก็หลายคนนะแต่ว่า เขาก็ไม่มาไม่มาไม่มาไม่มาครอบเราเราไม่กินเราไม่สังสรรค์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ก็ยอมก็เข้าใจอยู่ก็ก็รักกันรักกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่มาเออก็เอ อ, เ, อ, อเขาคงไม่กล้ากินแเราเรากินเบียร์นะเอาสิกินเนี่ที่นี้ก็กินได้หรอเขาบอกเอาไม่ไ oh ด้เขาก็คงเกรงใจเราด้วยครับ mm hmm. ก็บก็ครับอาจารย์เขาจะมีอะไรแนะน mm ํา hmm. เคิ่มไหครับ ก็รู้จักเลือกคนเลือกครบคนพระเจ้าบอกให้อสัวนาจะบาลานัเอย่าครบคนง้อคนไม่ฉลาดคบคนครบบัณฑิตคนฉเาริะคนรู้ตัวผิดดูดีช่วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มีหรือคุยก็เป็นเพื่อนคนที่ภาวนาหมดเลยครับอเออมีน้อยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ปฏิบัติภาวนาคือนั่งภาวนาได้ไงี้ยครับนี่เท่านั้นครับพวกนี้ไม่มีปัญหาอย่าไป ก็เปพื่อที่ชอบกินเนล้าเมายาพวกเล่นการพนันไหพวกนี้ชอบเที่ยวมีน้อยมากครับแต่มีครับอยู่ใกล้ๆเนี่ฝาบพวกนี้ฝากรู้สึกว่าจะเป็นขนมเค้กเป็นอะไรเยอะเลยครับเอออย่าพูดตอนนี้เดี๋ยวน้ำลายเขาไม่อยากกินเลยต้องซื้อรู้สึกว่าไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์แล้วที่มัตยามันจะจะน่ากินหน่อยโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปแบ จะน้อมนำไปไปฏิบัติครับโอเคสาธ <ขอ S 1> ุแม้จะเป็นฝนแาจารเป็นฝนเป็นยังไงสติการมาสมบมูรณ์นอยังยังไม่ได้เปิดใบอะคุณฝนผลขอกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ เ, เรื่องสติก็ยังคงฝึกอยู่เหมือนเดิมเจ้าค่ะกอ็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพระอาจารย์แต่แต่ว่า พอดีมีบททดสอบแล้วก็คิดว่าผ่านมาได้ค่ะพอดีวีคเอนที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเขาไปออกทริปกันที่ชียงให ม, ม่ค่ะเราก็มีมีปาร์ตี้กันเขาก็มีตั้งวงการก็เล่นเล่นไพ่อ่ะค่ะแล้วก็ดื่มเบียอะไรกันอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่หนูก็อยู่ได้ค่ะไม่ไม่ไม่แตะต้องค่ะไม่ดื่มสุราด้วยแล้วก็นั่งดูเขเล่นก็สนุกดีแต่ว่าไม่ไม่ลงไปเล่นก็ไม่ยุ่งเล่นกับการพนันนะคะพระอาจารย์คือ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเล่นกันแบบสนุกสน คือครอบครัวค่ะพอาจารย์แต่ว่าเที่ยวนี้ก็ไม่เล่นแล้วก็แฟนก็รู้ว่าหนูก็ไม่เล่นนะคะ ก, ก็รู้สึกว่าเออก็ผ่านมาได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความอยากว่าจะต้องเข้าไปร่วมเล่นกับเา้าหรือว่าอยากที่จะไปสนุกสังสรรค์นะคะคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องดื่มเราก็ ก, ก็ก็สนุกอยู่กับตรงนั้นได้อยู่กับเครอบได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ออืก็ดี ก็รู้จักความพอดีไม่มากเกินไปไม่ไม่ต็งเกินไปไม่หย่อนเกินไปออคก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสุราก็ไม่ไม่ได้ดื่มมาไม่ไม่ได้ดื่มมานานแล้วค่ะนานจนแบบคือเคยทําได้แบบหยุดเป็นหลายปีอยู่เหมือนกันเพราะตอนนั้นอยากจะมีลูกค่ะแล้วก็ก็ทำแล้วกลับมาดื่มหมายถึงว่าก็ไปเจอออไปเจองานสั่งนมหรือว่าอะไรก็ไม่ได้ดื่มอยู่แล้ว เรายิ่งหลังๆช่วงนี้พอมีงานอะไรที่บ้านหรือมีอะไรอย่างเงี้ยฮะหนูก็หนูก็งดงดอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ได้ดื่มก็ก็ถือว่าก็ถือว่าสติก็ยังพอช่วยประครับประคองให้ผ่านช่วงเวลาที่ผ่านมามาได้อ่ะค่ะอาจารย์เอาเวลามาภาวนาบ้างนะสุภาษิตบ้างเธ อ, อ, เ อ, อหนู่าขาดความเพียร น, นี่แหละค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็คือที่อย่างก็เหมือนกับ อที่ก่อนหน้านี้ที่เอ่กัลยาณมิตรท่านอื่นก็พูดเหมือนกันคือรู้ว่าต้องทํายังไงค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้ว่าคําตอบมันจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าของหนูนี่ความเพียรนี้ยังไม่มาเลยค่ะพระอาจารย์ต้องตั้งสัจจะเดี๋ยวอาจะต้องตั้งสัจจะดูเหมือนที่ตอนตั้งสัจจะเรื่องแบบเลิกเล่นเกมค่ะเกมนั้นน่ะค่ะก็เลิกก็ตั้งสัจจะก็คือต้องทําำคืออะไรถ้าหนูทําไม่ได้หนูไม่ไม่ไม่อยากพูดนะคะพระอาจารย์ก็เลยเหมือนกับ อาจจะคือสัจจะสมรถนูนสําคัญนะคะพรอาจารย์ต้องอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอาจจะต้องตัง้ต ง, งสัสจจะว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทํากี่วันกี่วันอะไรแบเนี้ยค่ะเรามีตารางอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งะค่ะพระอาจารย์พอดีเอ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะตอนระหว่างที่หนูขับรถอยู่อ่ะค่ะขึ้นสะพานนะคะแล้วหนูเห็นอะไรไกแกมันดิ้นดินอยู่บนกลางสะพานค่ะแล้วปรากฏว่าแบบ แมวอะค่ะมันดิ้นอยู่กลางสภาแล้วมันอยู่ในเลนที่รถหนูขับไปพอดีอะค่ะแล้วหนูหลบคือมันโดนชนไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะพระอาจารย์แต่มันยังไม่ตายอะค่ะแล้วหนูแบบหนูหลบมันไม่ได้แล้วอค่ะพระอาจารย์หนูหนูขับตามทีหลังมาแล้วหนูก็เลยพยายามที่จะแบบขับรถโดยที่ไม่ไม่ทับมันอะค่ะคือจะให้มันลอดใต้ท้องรถนะค่ะพระอาจารย์แต่หนูว่าหนูว่ามัน ก็คงไม่รอดเหมือนกันนะคะะอาจารย์หนูก็รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะเหมือนว่าจะมีส่วนที่ทําให้มันต้องต้องเจ็บปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่หนูไม่มีเจตนามันเป็นอุบัติเหตุไม่เปเจตนาก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นไม่บาเป็นบาปหนูก็คือหนูคือแค่ขนาดแค่หนูแค่แมงวีอะค่ะมันติดอยู่ที่หน้าต่างรถแล้วหนูไม่ทราบว่ามันอยู่ฝั่งข้างในค่ะแล้วหนูเผลอไปดีดมันหนูคิดว่าอยู่ด้านนอกค่ะคืออันนี้มันมันตายขึ้นมาค แม่งหวีตัวเลยหนูยังรู้สึกแบบแย่เลยค่ะไม่ดีค่ะเพราะว่าหนูไม่ชอบไม่อยากฆ่าสัตว์นะคะพระอาจารย์หนูพยายามจะถือศีลห้าให้ให้ครบด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยเมตตาสั่งสอนมาแล้ว<ม>ว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วะค่ะก็ไม่ต้องคิดให้อยู่กับปัจจุบันนะคะพระอาจารย์ทำอะไรไม่ได้อะไรมันผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดก<ม>็ต<ม>้องเกิดอืพยายามรักษาปัจจุบันให้มันดีไปให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนรจะได้ไม่ทําผิดซ้ำซากต่อไป ค่ะค่ะค่ะก็พยายามมีสติะค่ะพระอาจารย์อย่างเวลายืนรอรีบรออะไรเพราะปกติหนูจะเป็นคนใจรอนะคะ<ม>แต่เดี๋ยวนี้เวลายืนรออะไรหนูก็จะภาวนาพุทโธพุทโธคะ<ม>่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันจะเห็นความแบบความอยากอะค่ะความดิ้นนะคะว่าเหมือนแบบมันมันโอ๊ย ม, มันมันมีความอยากดิ้นอยู่ข้างในอะค่ะแต่หนูก็ จะยืนนิ่งๆแล้วก็ไม่เป็นไรหนูก็จะพูดโธต่อไปของหนูแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังมีความอแบบอยากให้มันผ่านไปเร็วๆหรือรอไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็จะพูดโธไปละกันแต่ว่าเห็นเห็นความอยากของตัวเองค่ะแต่ว่าหนูใช้พูดโธหยุดไปก่อนนะคะพระอาจารย์อืมก็ก็กราบเรียนพระอาจารย์ว่าทีนี้เป็นอ่าเป็นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคก็ทําต่อไปพระ นาไปได้เลยนะสู้ไปได้เลยค่ะก็คงสู้กับเรื่องสติอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอ่อจะจะกับพยายามที่จะม า, าทางภาวนาให้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปลองดูวัดแล้วก็จะตัง้งศจล ก, กับตัวเองว่าเราจะทําวันอาทิตย์เป็นกี่วันกี่วันให้ได้เนี่นะคะ่ะพะอาจารย์แล้วแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูมากลับเรียนพระอาจารย์ อ, ออก <สา S 2> ครับาจารกราบขอบคุณพระอาจารย์ขอให้ท่านข็งแข็งสุขค่ะ หมอสุธาชินีเป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้ำมันมสกาดพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะโอเคดีต่ตอไปนี้คุณจีบ่าแม่เวลานกลับน้มันสการพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะอสบายดีจ้า เขาไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์แค่โยมก็ต้องฝึกสติกับสมาธิมากกว่าเดินมนะค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานมีเรื่องลูกชายมากระทบก็ก็เตีเตะไปเหมือนกันค่ะ mm hmm. แล้วก็ค่อยพอเตะไปเสร็จแล้วก็ค่อยมาดึงสติกับออกมาโอเคเราไม่ควรจะตั้งความหวังกับลูกถึงแม้เขาจะเป็นลูกเราแล้วก็ไม่ควรจะตั้งอะไรที่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าคิดไปเองหรือว่า ถ้าเขาเราสอนเขามาดีแต่ถ้าเขาทำไม่ดีในอนาคตเขาเองมันก็คือกรรมของเขาถ้าเราคิดแบบนี้มันคิดถูกไหมคะว่าคนแต่ละคนเราไม่สามารถควบคุมความเป็นไปในชีวิตเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าตาเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วก็คุมอุณหภูมิ<า>ดินฟ้าอากาศไม่ได้ค่ะค่ะก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอ่ะคะ่ะแล้วยิ่ ง, ขงเขาจะเข้า ใกล้จะเข้ามาหาลัยปีหน้าแล้วมันก็เลยแบบความเป็นตัวเองของเขาสูงมากยอมไม่มาว่าโอเคเร า, เาปล่อยแล้วนนะปล่อยเขาค่ะก็เลยเอาเอาตัวเราดีกว่าถ้าสติเราหลุนใครก็ช่วยเราไม่ได้เงี้ยคะ่ะค<ม>่ะก็ขได้เหมือนที่อาจารย์บอกสลินทอนนะคะว่าเข้ามาฟังอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยมันก็ช่วยขับขัดเก่า จิตใจให้แบบตบๆให้เข้ามาอยู่ในร่องในลอยอะค่ะค่ะอาจารย์อืออือค่ะค่ะก็จะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะบางทีจะนั่งสมาธิบางทีมันก็มีเรื่องมันกระทบสติก็หลุดไปแต่แต่จะพยายามทําให้มากขึ้นค่ะอาจารย์อือต้องทําให้ได้นะค่ะค่ะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็จะพยายามค่ะอาจารย์ดีมากขอบคุณ สาธครับอาจะะารย์และสมานนะเจ้าค้าอ่อไปที่คุณลูกานาร์ชวนเบลีเป็นยังไงมีอะไรไหมนามัสการกับพอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะเอ๊เดินไปที่ศรีราชาต่อเป็นกลางว่าอะไรนมัสการเจ้าค่ะข้าอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ เที่ยวไหวยค่ะแต่ว่าที่ผมไปไปมาแล้วเสนอ จ, จะไปเป็นวัดแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติเมื่อเช้าที่กลับเรียนพระอาจารย์ก็ล่าสุดไปจังหวัดอยุธยาค่ะแล้วก็ก็ไปสมาธิที่มันเป็นอะไรนะคะอุทยานประวัติาศาสตร์นะค่ะซึ่งเป็นวัดล้างแล้วก็ลงไปนั่งดูค่ะก็ก็เมื่อมีความกลัวเจ้าค่ะแต่ว่าก็พอนั่งดูแล้วเราก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราคิด ก็ฝึกสติมากขึ้นจะค่ะข อ, อค บ, ขอบอคุณค่ะนี่คุณแดนนี่นนคุณตาชนบุรีใช่ั้ยกับมาสกรารพระอาจารย์ครับอยู่ชนบุรีครับอาจารย์สบายดีนะสบายดีค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่แต่ว่า งานทางโลกเยอะค่ะพระอาจารย์แบบพยายามจะแบบไม่ทิ้งทางธรรมค่ะพระอาจารย์แต่มันก็น้อยลงอืมมันต้องเตือนสติเดือ น, นละวันหนึ่งนะมันต้องตายนะค่ะก็อ่านอ่านธรรมมาพระอาจารย์ไว้เตือนใจอยู่ทุกวันค่ะงานทางโลกเราไปไม่ได้คนโลกเราไปไม่ได้เลยเป็นแต่ข้างงานทางธรรมทา่านั้นที่เราไปฏิบติตัวไปได้ครับค่ะพระอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ ติดตามฟังอยู่ทุกสัปดาห์ครับอาจารย์แต่บางครั้งอาจจะ้เข้ามาช้าหน่อยก็อาจจะเข้ามาไม่ได้แต่ก็ติดตามฟังใน y o ยูทูบครับเหมือนกันอยู่ข้างนากก็ได้เข้ามาท้างหนก็ดีครับอาจารย์อาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอันนี้คุณพิสิทธิ์เ้ากอนทั้งค่อนไม่ปวดมาเหรอพิสิทธิ์ไม่ครับอาจารย์ตัดตัดตรงนี้เลยครับอาจารย์เอาเกลียดฆ่าเกลียดเลย ครับอาจารย์ครับรู้สึกดีใจัหมเอาชนะกิเลสได้อก็เออก็ก็รู้สึกไม่ไม่เก้เขินนะอาจารย์นะจริงๆแล้วเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราถ้าเราเอาชนะในส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งได้ก็ก็กำลังใจเราก็ดีขึ้นครับอาจารย์ได้ก็เหมือนนั่งมวยเวลาชกผ่านกูต่อสู้ได้แต่ละคนได้มันก็มันก็ ข้ามไปเรื่อยๆขึ้นเนื้อนื้อขั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับศาสตราจารย์ร mm hmm. มีคำถามอยากจะถามสักหน่อยหนึ่งครับศาสตราจารย์ mm hmm. ค, คือคือบุคคลที่เขาออบรมตัวเองได้สมาธิในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเขาจะรู้สึกเห็นในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะตรวจสอบในเรื่องของของความผิดพลาดในการกระทํา เราพืปฏิบัติอย่างเงี้ยผิดเนี่ยที่มันผิดแหละคนพวกนี้เขาจะรู้สึกสะดุง้งสะดุ้งกลัวนะไปการก็มันก็อยู่ที่จิตสํำนึกของแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ที่สมาธิรือไม่มีสมาธิันถ้ามีเฮลิโอตปาามันก็จะสะดุ้งกลัววันที่มันด้า น, ม, นมันก็ไม่สะดุ้งกลัวมันไม่ได้ที่มีสมาธิหรือไม่ม เราไมีเฮลอตาบะเราไมีความกลัวละอายในการทําบางปพอมันมีทําบาปแล้วมันรู้สึกอายตัวเองแล้วก็กลัวผลบาปที่จะตามมาครับรู้สึกเขามันเห็นชัดมากกว่าไอ้ตอนที่เราไม่ค่อยมีสตินะครับอาจารย์ใช่ถ้ายิงมีสติมากมา่าไหรมันก็จะมันก็จะเห็นสิ่งต่างต่างดีขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี กับลบกคนพระอาจารย์แค่นี้ครับวันนี้ข อ, <Okay. S 1> ขอบพระคุณครับอ่าจะได้ น, นี่ควใช้ยังไคุณหน่อยให้าไปเหมือนกันนะให้ไปไหนมากราบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมวยังไงมีอะไรไหครับไม่มีเจ้าค่ะเข้ามาเข้ามาหาพระอาจารย์มากราบพระอาจารย์แล้วค่ะมา บอกว่ายังไม่ตายยัหานใจอยู่โอเคฝันกิเลสตายก็แล้วกันนะเราอย่าตายให้กิเลตายนหนายขอถามพระอาจารย์อย่างหนึ่งได้มเจ้าคะลองดูเลยอ่าที่พระอาจารย์เทศไปอ่าวันที่หน่อยไปฟังธรรมพระอาจารย์เ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าพละห้าอันนั้นคือทางเข้าสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าคะก็ะพละห้าเนี่ยมันเป็นมะเนืมันเก้าสิบห้า น้มันเก้าสิบเอ็ดมันสู้น้ำมันพลังมันสู้น้มันเก้าสิบ้าไม่ได้ถ้าเป็นอินทรีย์ก็เป็นระดับปุถุชนอาจจะอาจจะชนะกิเลสในระดับโลกิยาได้ในระดับศีลได้ในระดับสมาธิได้แต่ถ้าถ้าจะเอาทางปัญญาก็ต้องระดับละอัน ต้องมีต้องมีกำลังร้อยเปอร์เซนตมันเล้ยาวชนะอิเลนระดับโลกุตระได้ถ้าะระดับโลดียาถ้าระดับอินรีก็พอจะสู้มันได้เจ้ะค่ะอืกลับไปฟังอีกรอบจ้ะค่ะเพราะว่าเหมือนกับพอฟังแล้วเอ๊ะพระาจารย์าาสอนทางเข้านิพพานก็เลยต้องเป็นเซฟไว้เลยจ้ะค่ะพระอาจาร ทุกวันนี้ก็สอนทางนิพพานทุก ท, ทุกวันนะทานศีลภาวนานี่แหละคือทางทางเข้าพระสุัพ น, น, นิพพานนะคะวันนี้ลูกมีคำถามแค่นี้เจ้ า, จาค่ะพร ะ, นะะาไไรอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุมาที่คุณคุณครูนิงใชคูนิใช่เสี่ยวเมแต่พระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะ ถาะอาจารย์ก็ก็ไม่มีคําถามครับตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่หลุดบ้างกับเพื่อนบ้างไปบ้างแล้วครับพระอาจารย์หยายอย่างก็ไม่ก็พยายามทําอยู่ครับอาจารย์ต่อไปค่ะในสิ่งที่ก็เหมือนจับลิงนะจับลิงสองตัวนะได้บ้างหลุดบ้างใช่ค่ะอาจารย์เหมือนจะปลิงเลยก็ก็เลยแบบโอ้ไปนั้นค่ะ เขาไปอยู่นิ่งเหมือนอท้าทายความรู้สึกของเรามากก็เลยรู้ว่าใจเนี่ยของเราเนี่จะต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่วิ่งตามอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะก็เป็นการที่เราจะต้องฝึกใจของตัวเองไม่ใช่เขาตอนแรกก็โมโหเอ้าทีจริงมันอยู่ที่เรานี่ไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยมันนั่งมีข้อสอบทดสอบใจเรา ค่ะพระอาจารย์บางทีก็หลุดหลายครั้งอะค่ะพระอาจารย์คือแบบไอ้เหมือนเหมือนว่าทนไม่ได้กับความซนอะไรประมาณนี้นะค่ะพระอาจารย์แต่ ก, ก, ก็ก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามฝึกใจของตัวเองซะมากกว่าครับพระอาจารย์ก็ไม่มียาอะไรคะ <c oughs> ก็ดูดู ด, ดูที่ใจของตัวเองด้วยให้เยอะมากที่สุดค่ะพระอาจารย์ ทำอะไรจะทําอะไรก็ทําได้แต่ทำต้องทําแบบใจนิ่งๆนะใจอย่าไปตื่นเต้นค่ะค่ะพระอาจารยอนน์อันนี้เนี่ยใช่เลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเจอผลเก้าสิบแปดสิบหกอยู่ที่บ้านแล้วก็ห้าปวกเจ็ดปวกเลให้เราแบบมันเหมือนสวิงเองค่ะเป็นข้อสอบที่ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นอะไรเยอะมากแล้วก็ทําให้ตัวเอง อ่อเข้าใจในเรื่องที่จะต้องต้เข้าใจเขาว่าปล่อยวางใจเนี่ยจะต้องปล่อยวางหน้าที่ก็ต้องทําอืำก็เลยว่าอ๋อโอเคทําตามหน้าที่แต่อย่าเอาใจไปใส่อะไรมากมายมันจะทําให้เราเอา่อเหมือนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ดีอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ใจต้องโอเบคขาใจต้องวางใจค่ะพระอาจารย์ก็พยายามฝึกต่อไปคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็พยายาม ให้อ่าในเรื่องผมผู้โทผู้โทที่จะต้องอยู่กับตรงนี้นะคะตั้งแต่ตื่นนอนเหมือนที่อาจารย์พูดจะพอใจไปปุ๊บก็ให้รู้ทันว่าเอาไปอีกละก็ต้องกลับมาอยู่อ่าดึงใจกลับมาค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามที่จะอ่าทํา่อต้่สมาธิด้วยนะอย่าลืมสมาธิอ่าค่ะนั่งสมาธิอ่าใช่ค่ะอาจารย์สมาธินี้สําคัญ แต่บางทีก็ใจเรื่องเรื่องของใจนี่เป็นเรื่องที่ลึกลำมากค่ะอาจารย์ใันนไม่ชอบนั่งสมาธิใจมันชอบสมาธิค่ะครับอาจารย์รก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ผมพยายามที่จะต้องฝึกฝนต่อไปค่ะในกิริกานะครับอาจารย์โอเคนะผมกับอาจารย์ค่ะ์ของ่านตินพระอาจารย์เงครับ มาที่คุณบมอนัาวุฒิเชิงคุณหมอเปันไงมาชาติแบบดีไหมดีครับอาจารย์ครับมันก็ได้ได้พักแล้วก็พยายามได้มาฝึกสติฝึกสมาธิครั บ, รบในเวลาอยู่กับตัวเองครับโอเคไม่มีอะไรนะมีมีคำถามครับพอดีวันนั้นผมไปอ่านอ่าอ่า หนังสือของพระอาจารย์ปัญญาพุทโธแล้วมีวมของบทของพระพาหิยะครับะออืผมอ่านแล้วคิดว่าเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจกันเลยขอปัญญาพระอาจารย์นิดหนึ่งครับเห็นพอเป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้าท่านพูดอ่าคาถาสั้นๆนะครับว่าในพระนิพพานไม่มีดินน้ํำลมหรือไฟดวงดาวย่อมไม่ส่องประกายดวงอาทิตย์ย่อมไม่ส่องแสงดวงจันทร์ย่อมไม่ส่องสว่างความและความมืดย่อมไม่มี เมื่อผู้ฉลาดบรรลุพระนิพพานด้วยปัญญาตัวเองเขาย่อมหลุดพ้นจากการยึดติดรูปและอัลูปและหลุดพ้นจากความสุขความทุกข์ทั้งปวงครับเอ๊ะไงนะคำถามยังไงอ๋อผมก็เลยคำผมก็อ่านแล้วน่งงแต่ว่าคิดว่ามันก็คือเหมือนกับไอ้เป็นจิตที่มันวางจากอ่าอุปท า, านจากรูปและนามปะครับมันก็เลยเหมือนกับไอ้แล้วเราไม่ไปยึดติดมาให้เป็นความหมายฉะนั้นไอ้ความสงบความว่าง จากทุกอย่างก็ไอมันก็เลยไม่มีไอไอรูปก็คือไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีลมไม่มีไฟแล้วก็ไออ่านามธรรมก็คือสัญญาเลยทั้งหลายแล้วก็ไม่ไปก็คือรู้แล้วก็วางก็คือไม่ไปปล่อยปล่อยปล่อยทุกอย่างปล่อยเวชนาปล่อยจิตเนี่ยครับนะครับนะก็คือรู้แล้วก็วางก็คือให้ต้องยังอยู่กับมันอยู่ยังใช้มันอยู่แต่ไม่ไปยึดไปติดกับมัน รนวลนวลเป็นตายรักนวลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับอ <reun> ะครับครับผมครับแล้วแล้วอย่างไอ้ไอ้อย่างาาสัญญาไอ้นี่เราก็คือเหมือนกับก็เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นก็คือตามแต่เราไม่ไปไปไปอยากไปพี่จะไปยึดไปก็คือคือ<ก>สัญญาเราเนใจเราเห็นสัญญาปุ๊บเราก็จะชอบไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่เราว่าเราก็ต้องไปปฏิบัติให้มันไม่ไปให้มันปล่อยจากตรงนั้น ให้มันเฉยให้มันเฉยนั่นการปฏิบัติก็เราก็ก็คือมีสติแล้วก็พยายามฝืนความอยากต่างๆใช่ไหมครับก็ก็ถ้ามีถ้ามีเบรคขามันก็มันก็มันก็ฝืนได้ถ้าไม่มีอเบรคขามันก็มันก็ฝืนไม่ได้ครับอ่ครับแล้วการที่เราฝึกเขี่าหาหาหากิเลสอะไรทั้งหลายก็คือก็คือดูเอ้สิ่งที่เราไปอยากแล้วก็ไปไปพยายามไม่ทํา อย่างที่เราอยากใช่ไหมครับให้มันใช่ครับอ่ะอย่างครั้งนี้ผมไปก็พยายามติดก็ตาหลังไปติดไ อ, อ, อ้อ่านมือถืออ่านอะไรมันก็ติดก็เลยพยายามแบบไม่ไม่ดูมันไม่ไปยุ่งไม่จับแล้วก็มามามาฝืนกับไอ้วันแรกๆ ก, ก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่วันสองก็เริ่มแต่พอกลับมาก็เข่าล็อกเต็มแมัน่นงานต้องใช้มันตอนนี้พอใ ช, ใช้แล้วก็สกรีนถาม์นิดแต่ไม่หมดเลย ก็ก็เป็นวิธี่ก็คือเราก็พยายามสร้างสร้างสติสร้างอุเบกขาแล้วก็พยายามดูว่าเราอยากอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยไปฝืนชนะมันให้ได้นะครับได้ครับได้ครับได้ได้ดูวิธีปฏิบัติครับก็คือทั้งทั้งรูปและนามทั้งหลายก็คือต้องหลนกวางให้หมดรู้แล้วก็วางครับนะครับมองว่ามันเป็นทุกทุกอย่างที่เราอยากมันเป็นทุกทุกข้อมไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน ครับก็คือเอาเอาเป็นอ่าลจับทั้งหมดครับครับได้ครับพอเห็นแนวทางครับแต่ยังยังยังยังไม่ทันยังครับยังต้องปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแต่ยังไม่ไปไม่ได้เดินกับความอยากมาเป้าหมายความมาเลยครับครับครับผมว่าต้องต้องต้องก็ต้องมีเวลาครับต้องออกไปปฏิบัติไปอยู่กับ เองไราสร้างโมเดลขาเยอะๆสร้างสติให้เยอะๆในการรู้ทันเวลาเกิดความอยากพรมันจะเห็นทันทีอ้าวก็เพื่อมอ่าครับะถ้าเรานิ่งมันก็จะพอกรเพื่อมปุ๊บเราก็รู้ทันแต่อยู่ในโลกมันก็จะยากครัเพราะมันมักระเพื่อมตลอดเวลาใช่ัเป็นควาปกติอีกแบบเนึ่งก็เพื่อมตลอดเวลาใช่ก็ับใช่ครมันมันไม่มันต้องต้องต้องไปสู่ความสงบก่อนแล้วพอมันจะได้คุยได้ครับ แราต้องกลับไปที่ฐานไปที่ความสงบนั้นมันเป็นฐานวัดกิเลสเวลาจิตกระเพื่อมอะไรแสดงกิเลสมันนั่มทํางานครับฮะครับ ใ, ใจมันก็เลยอยู่กับที่ไม่ไปยุ่งไม่ออกไปไหนนะถ้าเราถ้าเร า, า, เรามีาอุปการะคอสมัครใช่ท่านจะเหาเป็นทุกข์ไปทำไมยุ่งไปยุ่งมันทำไมฝ่ายมันไปเนี่กันครับผมได้ครับ โอเคทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวชัดมันจะชัดขึ้นไปเรื่อยนะปฏินนบัติครับผมครับนะครั บ, รบขอบพระคุณท่านนะครับย <Okay. S 2> ินดี ท, ที่ไปที่เท็กซสคุณปเป็นยังไงคุณปวียังอยู่ที่เท็กซสอยู่ใช่ไหมนึกกลับมาบางบทีนะ อ, อ๋อพี่สาไปใส่บาทพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมยําไม่ได้นะคนเยอะ ออครับใส่บาทที่บางมูลก็บอกชื่อไปแล้วก็ก็ผมมานั่งรอหมอผ่าตัดเพเมื่อสองอาทิตย์แล้วผมใช้เข้าไปผ่าตัดไอโฟพินินแพนแล้วก็ทำสมาธิจนเวลาเขาใส่ยานอนหลับจนหลับไปด้วยพุทธโธครับก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าตอนขณะผมหลับไปพร้อมพุทธโธเนี่ยตอนที่เขาให้หลับเนี่ยถ้าผมเป็นะายไปเนี่ยดีกับผมไหมหรือเปล่าครับมันก็ คือมันก็อย่างนั้นใจเราสงบใจเราไม่รู้เรื่องแต่มันมันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราได้สะสมไว้ว่าเราจะไปทิศทางไหนถ้าบุญเราสะสมมากกว่า บ, บาปมันก็จะไปสู่สุคติถ้าบาปมากกว่า บ, บุญมันก็จะดึงเราไปสูทุคติมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเราตายแบบสงบหรือไม่สมงบ็ตจ๊ะได ใจว่าทําให้จิตใจเราสบายขึ้นก็ดีถ้าเรามีสติแล้วทําใจให้สงบมันก็สบายไม่ต้องไม่ทรมานมากตอนนี้ก็มารอเจอหมอผ่าตัดหลังเกือบสิบ้าวันก็เนี่ยมานั่งรอก็เลยนั่งฟังพระอาจารย์ไปว่าความสุขของชีวิตก็คือทําบุญฟังสมาธิเอ็ดทําฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติที่บ้านก็ อายุมากแล้วก็ไม่มีรายมากสําหรับผู้รีทัยแล้วอืมก็ดีนะห า, าความสงบดีสุดที่เพึ่งเตที่แท้จริของใจก็คือความสงบนงี่ก็ปฏิบัติได้แค่นี้ครับแล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติเท่าที่สามารถที่จะทําได้ให้ดีที่สุดครับโอเคดีมากากราบมนุษย์กา ร, รพระอาจารย์อขอพระคุณมาครับอขอให้แข็งแกร่ปลอดภัยห้เจ็บหายไข้นะ ครับผมโอเคไปที่กวจ้าย่ yeah. Poland, บบ า, านอรุณอริยกรบรมสการค่ะพระอาจารย์อเป็นยังไงไรพระอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามเรื่องคําว่า ก, กรรมราคะค่ะพระอาจารย์อันนี้คื อ, อหมายถึงความความยินดีอยากจะเสพอยากจะเสพกรรมอยากจะเริ่มหลับนอนกันอยากจ ะ, ะมีเพศสัมพันธ์ ออคือไม่รวมไปถึงความยินดีในรสชาติอาหารในเสียงเพลงใช่ไหมคะใช่ใช่ตรนี้่ขจะเรียกการวัชรธามันอันนี้เป็นสับเฉพาะการองเรธาจะมีสับเฉพาะสำหรับ sexual desire โอเคค่ะอไปล่ะทีนี้หนูเมื่อวานนี้หนูฟังคลิปของหลวงตาค่ะพระจ่าแล้วหลวงตาก็พูดถึง ว่าเหมือนความอยากของคนเราเนี่ยแม้กระทั่งอย่างเช่นว่าเดินบินธบาตอยู่แล้วมีอะไรคนพิการหรืออะไรแบบนี้เดินผ่านแล้วหลวงตาก็ว่าเนี่ยจะมองเนี่ยก็แบบไม่รู้จะมองกันทําไมมองสเสลียวหลังเลยอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบเอะใจขึ้นมาว่าเออจริงด้วยคือบางทีเราไม่ได้รู้สึกในใจว่าเราอยากมองโดยสาําแต่ทําไมตา เราห้ามได้ที่จะมองมองตามภาพนี้ไปเรื่อยๆหนูก็เลยสงสัยขึ้นมาว่ามันมันเป็นกลไกเดียวกันกับที่การทําให้เรากลับมาเกิดหรือเปล่าค่ะคือเราท่องอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยว่าเราไม่อยากจะเกิดไม่ได้ไม่ได้อยากกลับมาเกิดแต่สุดท้ายพอมันมีโอกาสโผล่มาปั๊บใจเราก็ไปจับแล้วก็เกิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะถ้าเรายังควบคุมมันไม่ได้มันก็ไปเกิดได้อยู่แต่ถ้าเราควบคุมมันด้วยสติปัญญานะมันก็ไม่เป็นเกิด คำว่าควบคุมนิสิตปัญญาได้ไม่ไปเกิดก็คือหมายถึงต้องไปถึงนิพพา น, น, นเก็นั่นแหละก็ต้องถึงนิพพานก็ตัดความอยากทั้งหมดหยุดความอยากทั้งหมดได้หรือให้มันอยู่ในปัจจุบันเห็นพวกมันก็ได้มันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันไม่ตามไปด้วยเราเห็นคนเห็นคนแก่ ป, ป้าเห็น้วพอมันแก่นันผ่านไปตะเราก็เราก็อยู่ในปัจจุบันของเราต่อไป ทีนี้เรื่องสุดท้ายวันนี้หนูกําลังจะบินเดินทางไปหาคุณแม่แล้วก็คิดว่าจะมีเวลาประมาณหกชั่วโมงอยู่บนเครื่องบินนะคะทีนี้หนูก็เลยตั้งใจจะลองทําอย่างที่ญาติที่ททั้งหลายได้ลองก็คือนั่งเฉยๆดูนี้หนูก็จำได้ว่าเอาพระอาจารย์เคยพูดถึงตอนก่อนพระอาจารย์บวชว่าพระอาจารย์ก็ลองนั่งเฉยๆเวลานั่งเฉยๆนี่คื อ, เ, อเราทําถ้าหนูเลือกที่จะไม่หลับตานะคะถ้าลืมตาก็คือ ก็คือเหมือนเหมือนมองแบบโอเคอันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือคนอย่างเงี้ยล่ะค่ะไปเรื่อยๆคือก็ไม่ได้ต้องอพุดถกคือเป้าหมายของการที่จะนั่งเฉยๆนี่เพราะว่าอยากจะสกัดความอยากที่มันดินดน้นรนอยู่ตรงนี้นั่งก็เบื่ออยากจะไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็เบื่อจะกลับมาตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> คือต้องการหยุดการความอยากอันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทรมานนั่งกายน่างกายนี่ให้มันนั่งสบายสบาย ถ้ามันนั่งแล้วเมื่อยลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนไหวไปจากที่ที่เรานั่งทีนี้หนูเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่แล้วเพราะหนูติดอยู่บนเครื่องบินออใช่างไหมนอกจากเข้าห้องน้ำถ้าจําเป็นจะเข้าห้องเข้าไปค่ะะก็ดีแล้วแล้ว็เราก็าาาาคิดอย่างนี้ตอนที่นอาฝึกนั่งเราว่าตามเวลานั่งเครื่องบินแล้วก็ไปไหนไม่ได้ทําไมนั่งได้ใช่ไหมตอะมั้นที่มันนั่งได้เพราะส่วนหนึ่งมันหลับเนี่ยแต่เราต้องไม่ให้มันหลับด้วย ว่า ม, มันตื่นแต่ว่างเวลาแล้นต้าไม่ให้มีอะไรมาให้มันเพลิดเพลินเช่นดูหนังสือหรือดูมือถือหรือดูอะไรก็ตามไม่ให้มี <Hey. S 1> อะไรเลยให้ใช้สติอย่างเดียวใช้สติกับปัญญาสติก <Okay. S 1> ็ญญคือ <Okay. S 1> ฟุตโธก็ได้ดูลมก็ได้สวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้ปัญญาก็พิจารณาการสารีสองอสุภะอะไรไปก็ได้โอเค ับไปแค่มันค่าเวลาเพื่อจะได้มันจะได้ลืมความอยากจะลุกไปตรงนู้นลุกมาตรงนี้อะไรท่านนั่นเองแล้วถ้าอยู่ๆเกิดเป็นความรู้สึกว่าอ ย, อยากอ่านหนังสือพระคือปกอติบางทีเดินทางอย่นีหนูจะมีหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆขึ้นไปหนูไม่ควรถูกไหมเอตอตรนไม่เอาเราต้องการจะเอาแต่<ม>ของที่มีอยู่ในตัวเราเทนั้นใช้เป็นเครื่องมือไม่อาศัยของภายนอกโอเคค่ะ คือไม่ไอลุกไปเนี่ยมันค่อนข้างง่ายอยู่ละเพราะว่าหนูคงลุกลําบากหน่อยก็ถ้านอกเหนือจากว่าต้องเข้าห้องน้ํานะคะเพราะนั่นหนูก็กระชับอยู่แล้วแต่อย่าลับนะโอเคนั่งหลับถ้าหลับแล้วมันสบายมันก็ผ่านไปเร็วเวลาผ่านไปนะคะก็แบบหรือว่าเราจะลองแบบนั่งสมาธิอนูกัหนึ่งใจไม่ได้หรอกถ้านั่งสมาธิหลับแน่ๆก็โอเคค่ะหรือจะลองพยายาม นั่งนั่งลืมตามีสติแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยดูสิหกชั <c oughs> เปิดหนังได้ไหมลองดูดูร <c oughs> ู้สึก ด, <c oughs> ดูว่าดูว่าใจอึดอัดไหมกับความอยากความอยากมันจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดอยากจะลุกอยากจะทํานู่นทํำนี่เลยถ้าเราชนะ ม, มันได้ต่อไปชีวิตเราจะสบายขึ้นเยอะเลยถ้ามันอึดอัดขึ้นมาหนูควรจะต้องทํำยังไงคะไปพุโทโธ่ทำให้มันสงบก็คือเบี่ยงเบน ใช้สมาธิใช้สติพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปอาการอะไรไปถ้านั่งสมาธิแล้วไม่รู้สึกว่าจะหลับก็นั่งสมาธิไปก็ได้เพื่อรับความรู้สึก อ, อันดับ น, นั้นเนี่ยแค่เนึกว่าจะทําก็อึดอัดแล้วนะยังไม่ทำนั่นแหละเราทํานได้ต่อไปมันจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความมัน่นมั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะความอยากของเราได้ ถูกค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีเท่านี้ค่ะโอเคสาธุค่ะต่อไปก็คําถามจากทางบ้านบ้างคุณปอนมีคําถามอยู่คำา่คำอาคุณหนาขอไปจาก น, นักศึกษามาค่ะมีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง facebook เ, เจอคะ่ะมว่ามาสามคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคําถามข้อที่หนึ่ง<ม>การพิจารณากาย ถ้าเราไม่ได้กำหนดดูอาการสามสิบสองแต่เรากำหนดดูธาตุโดยดูร่างกายว่าเป็นดินแบบนี้ถือว่าข้ามขั้นตอนไหมคะคือการพิจารณาร่างกายนี้มันมีหลายมิติด้วยกันมิติแรกก็คือความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็พิจารณาว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาอนิจจ์ ถ้าเราต้องการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเราก็ต้องดูอาการ32นะการดูอาการ32นี้ก็สามารถทําให้เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มันไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้มีต่อาการ32ถ้าเราต้องการจะดูว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนมันเป็นเพลงเป็นเป็ น, ปนมาจากธาตุสีน้ํำมันไฟก็ได้เนี่ยมันมีหลายมิติ ด, ด้วยกัน เราต้องพิจารณาทุกมิติเลยแต่เราเอาทีละเอาทีละอย่างตอนนี้เราพิจารณาเป็นท่านุก่อยก็ได้ว่าไม่มีตัวเอาไปเราพิจารณาว่ามันไม่สวยงามมันมีอาการ32นี่แล้วต่อไปก็พิจารณาว่ามไม่เที่ยงก่อนแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นตน้นนคำฐานข้อที่สองการกําหนดดูร่างกาย เราควรเลือกดูสิ่งเดียวของร่างกายเช่นกระดูกชิ้นหนึ่งจะดีกว่าการกําหนดดูทั้งหมดของร่างกายไหมคะก็อยู่ที่ว่ามันเราดูแล้วมันนามาใช้งานได้บ้าเป้าหมายของการดูอาการรายที่สองนี่ก็เพื่อตัดการมารยาทเช่นเวลาเรามีความอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วก็นึกถึงอากา ร, รต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเขา ถ้าคิดถึงโครงกระดูกของเขาแล้วเราทําให้ความอยากจะร่วมเพศกับเขาหมดไปก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่พอเพียงอาจจะต้องดูรำไส้ด้วยดูตับดูปอดดูไตด้วยอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนที่จะต้องพิจารณาเองว่าจะจําเป็นจะต้องดูมากน้อยเท่าไหร่คำถามข้อที่สามเวลาเข้าสมาธิไปแล้วรับรู้ว่าในสมาธินั้น มีเป็นระดับชั้นของความสงบจิตขยับเข้าไปนิ่งว่างกายเวทนาความคิดหายไปและจิตก็ขยับถอยออกมาแต่ยังอยู่ในสมาธิซึ่งตอนนั้นจิตสามารถคิดได้แต่กายเวทนายังหายไปอยู่จิตขยับออกมาหนูก็กำหนดให้เข้าไปใหม่ไม่ให้ออกมาเข้าออกแบบนี้หลายรอบคำถามข้อที่หนึ่ง หนูจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนที่จิตขยับออกมาเองสามารถคิดได้ถึงเวลาแล้วที่จะทำมิปัสสนาได้คะร อ, อยันงหรอกมิปัสสนานี่รอให้มันฝึกเสร็จฝึกสมาธิห้ชนานาญก่อนให้มันเข้าในสมาธิแล้วให้มันนิ่งอยู่ น, นานๆแล้วออกมาแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยๆก่อนฝึกสมาธิห้ชนานาญก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาปัญญา ปัญญาเราไม่พิจารณาในขณะที่เราทําสมาธิเราจะรอเวลาออกจากสมาธิมาแล้วนั้นเราค่อยมาพิจารณาทางปัญญาต่อแต่ต้องรอให้เราชนานาญทางด้านสมาธิก่อนถ้ายังไม่ชนานาญเวลาออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติไปแล้วก็กลับเข้าไปสมาธิใหม่แล้วก็ออกมาแล้วก็จเจริญสติไว่อย่างนี้ไปยังงเราจะชำนาญเข้าออเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ หลังจากนั้นนะ่ะต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแทนที่จะเจริญสติก็เจริญปัญญาแทนมันถามข้อที่สองการที่จิตขยับเราเลี้ยงจิตให้อยู่ในระดับต่างๆในสมาธิและคุยกับจิตเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรหรอกควรจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับจิตว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคุยกับมันไม่ต้องไปดึงมัน ว, ว่ามันเป็นยังไง ให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับเราหมายใจไปทนะ่านคำถามข้อสุดท้ายจากคุณว่าสนาน้อมกราบขอโอกาสเรียนถามครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามุ่งสอนให้ปฏิบัติให้สําเร็จในชาติปัจจุบันนี้เลยเป็นความเข้าใจผิดหรือถูกอย่างใดขอกราบขอพระอาจารย์เมตตาให้ปัญญาด้วยครับก็ให้ให้สําเร็จในชาตินี้จะไปรอชาติไหนอี่ะอืม ส า, ามาทําได้บางคนก็เจ็ดวันก็สําเร็จบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปี<า>อขอให้<ม>ขอให้ปฏิบัติเต็มที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้เต็มร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องสําเร็จนน อ, ยยอย่างแน่นอนเสร็จแล้วยังคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเค อันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาในปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ